จเจญพรท่านสาธุรชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาใครที่มีความสนใจมีความสงสัยอยากจะถามอะไรก็เชิญเข้ามาถามได้วันนี้เราก็จะไปที่เด็กๆ ก, ก่อน มาเล่าคิววันอยู่อ่าไปที่โตกเดียวกันเด็กชายนักคุวันดีครับกลับนมัสการ์ค่ะพระอาจารย์ปละกาศก่อนนมาสักการกับกกพระอ่าวันนี้เรียบร้อยอ่เดียวล่ารสอนอล้าไม่อะค่ะไม่นะวันนี้ไปโรงเรียนน่ะเปล่าครับไปครับครูคุณครูสอนอะไรบ้างวันนี้ อืมไม่กินหมดร้อยนป0 0เนเลยค่ะกินอะไรนะกินร้อยปนค่ะกินร้อยเปอร์เซ็นนะอะไรคะกินอะไรร้อยเปอร์เซ็นข้าวค่ะค่ะข้าวเลยโอเ okay. คมีคำถามไหมถามลวงตาไหมมีคำถามว่า เลยเขาพ่อจะบอกว่าไงครับพระอาจารย์ถามว่าหนูมีอะไรจะทํามไหมครับอืมเจไของอืมพูดดีๆดิเด่นอต่อก็พูดจริงดุโอโอเคค่ะเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่แล้วไปนอนวัดมาค่ะเขาบอกให้บอกพระอาจารย์ว่าเขาไปช่วยกวาดใบไม้ที่วัดมาแล้วก็ไม่ข้ามยางสาบด้วยค่ะ อ่า เ, เด็กก็ควกจนเด็กๆนะเรื่องศีลศีลห้าเรื่องทำบุญทำทานนะไป<ม>วัด<ม>วเนี่ย จ, จะได้ไปหาคนที่ฉลาดอยู่ใกล้คนฉลาดวัดมีแต่คนฉลาดมีแต่พระพูดพธรรมพระสงฆนะ์อ่ะเห็ไหมคะค่ะไม่มีคำถามค่ะพระอาจารย์วันนี้มากหลืค่ะอเ่างินก็ไปที่ จะแมทกับแจที่ต่อเอ้าจะแมดกับแจที่เป็นยังไงกล่าวณมร <า S 3> ัชกาลพระอาจารย์ครั บ, รบมีอะไรไหมวันนี้ท่าวันนี้มาส่งกันว้านแล้วก็รายงานผลการนั่งสมาธิอ่ารายงานก่อนนะก็ะคือเวลาที่สมมนต์นั่งสมาธิพิจารณาความตายทุกวันนะครับความก่ความตาย ก, ก็จะน้อยลงไปครับแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือ น, นคิดคิดว่าของของเราที่มีอยู่จะเอาไปให้ใครดีครับเอ แล้วพิจารณาความตานี่ยเราพิจารณาไข่บ้างทุกคนกค น, นะนะไม่ใช่ตัดเฉพาะตัวเราคนเดียวนะทุกคนคก็เป็นเหมือนกันหมดเพราะว่ามันมันไม่ใช่ตัวตนมันเป็นแค่ต้นไม้เหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งครับมันมาจากดินน้ําลมไฟเออเราเพ่งแต่มาใช้มัน เราก็เลยไปดงคิดว่ามันเป็นเราท่านนี้เพราะเราไม่มีรูปเล่าเราเป็น invisible man ใช่ไ้มครับอืมยายามจดจำไว้นะค่ะวันหนึ่งเราต้องทิ้งร่างกายนี้ไปนะเก็บไว้ไม่ได้ครับโอเคครับอันนังสมาธิได้นานเท่าไหร่สามินาทีครับเพราะว่าไปโรงเรียนครับ การบ้านเนี่ยนั่งได้ทุกวันด้วยเป่าคแคตตี้เหรอแคต้คนั่งได้ก็นั่งได้คอืบพิจารณาความตายได้ไหมพิจารณาได้ครับโอเคนะให้รู้ว่าเราไม่ได้ตายกับร่างกายนะเราไม่ได้เป็นร่างกายครับจะได้ไม่ต้องกลัวเรามา ตอนที่แม่สร้างร่างกายนี้เราก็ไปกเกาะแล้วก็ใช้ร่างกายนี้ทำอะไรต่างๆจนกว่าร่างกายจะทำไม่ไหวร่างกายจะหมดลมหายใจเราก็แยกทางกันไปนะโอเค okay. มีอะไรไัมยไม่จบสรงทิ้งส่างไหาว่ามาร่างกายองเราอ่า เรามีความแก่เป็นรมดาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วพ้นความแก่ไปไม่ได้เร า, เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดรากจากของรักของเำลังใจทั้งหลายของตัวเรามีกรรมเป็นของของตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแด น, นเกิดมีกรรมเป็นผู้ติด ต, ตามมีกรรมเป็นที่พึ่ ง, ง, าาางาอาศัยเราทำกรรมใดไว้เป็นวุ่นหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นมาเสิ็ไปเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถอดอย่าลืมนะพิจารณาด้ยน้ยมันฝังอยู่ในใจล้วนะครับ แล้วร่างกายเราเป็นยังไงบ้างมีอะไรอยู่ในร่างกายเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อ เ, <น>เอ็นกระดูกยี่ในกระดูก ม, ม้าหัวใจกับค้อืผไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยี่ในสมองศรีรษะ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 อาหารเก่าอาหารใหม่ใส้น้อยใส้ใหญ่ปอดไตผังผืดกั บ, บหัวใจวม้ามเหนนกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันและขนมีเราอยู่ตรงไหนไหมไม่มีครับนะไม่มีนะครับเราไม่ได้อยู่ในร่างกายเราอยู่ในโลกทิพย์นะเข้าใจั้ย เข้าใจครับเราเป็นเหมือนเหมือนมนโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งร่างกายเป็นอีกเครื่องหนึ่งสองเครื่องติดต่อกันด้วยสัญญาณวิทยุน ะ, ะเราก็ติดต่อว่าร่างกายด้วยสัญญาณของสของวิญญาณกับสังขารนะวิญญาณการรับรูปเสียงกิจลักษณ์สังคารก็ส่งการไปที่ร่างกายให้ทําอะไรต่างๆครับอ่นี่คือ ความเชื่อมความความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับจิตใจนะครับโอเคมีะระยะถ า, ามอีกไหมไม่มีแล้วครับอไม่มีงั้นไปที่น้องปูต่อนะครับกราบพระผู้คุณพระอาจารย์ครับน้องดีน้องดีน้อ ง, องพีสวัสดีครับสวัสดี ค, ค่ะเป็นยังไงทําใจได้ยังทำใจได้แล้วครับ เฉยๆไปเดี๋ยวเขาก็เลิ ม, มาอยู่กับเราเองอนะใช่ค่ะเขาวันนี้เขาก็จะมาทําเป็นพูดดีๆกัหนูให้หนูกลับมาคุยกับเขามือนเดิมอืมแล้วก็คุยกับเขาได้ถ้ า, าก็ดีเราก็เราก็ดีกับเขาไปหนูก็คุยกับเขาครับแต่ว่าหนูก็ไม่ได้คุยอะไรมากครับเพราะว่ารู้ว่าเขามีแผนอยู่แล้วครับทําอย่างเงี้ยอือนี่แะ <c oughs> รู้รู้ได้ไงว่าเขามีแผนอะไรนี่เพราะว่าคือเขาคือเขาพูดดีๆใช้การที่พูดดีๆเพื่อที่จะใช้หนูอะครับก็ไม่น่าเนอะบางทีเขาอาจจะมีอะไรให้หนูแทนก็ได้หลงตาสบายดีไหมครับก็ตามสภาพนะตามอายุตามวัยสบายอยางแก่ ก็นหนูไม่สบายทุกคนเลยครับเยอะเยอะทุกคนองคนไทยห้องหนูเหลือแค่หนูกับเพื่อนผู้หญิงอีกหนึ่งคนครับเหลือแค่นี้ครับที่หนูที่ไม่ได้ไม่สบายครับที่สบายดีที่สบายดีก<อ>็ด<ป>ีก็บอกแล้วถ้าไม่สบายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเป็นได้หายได้ไม่ต้องกังวลนะไม่หายก็ตายเหนะมือนก็มีทานนั้นแหละ ใ ช, ใช่ครัหนูเป็นห่วงเพื่อนผู้ชายอกคนหนึ่งครับเพราะว่าเขานอนที่โรงพยาบาลด้วยครับเป็นห่เลย็เป็นห่วงก็ ด, กดีแต่อย่าไปเศร้าโศกเสียใจกันแล้วกันนะอโอเคมีมอะไรจยถามไหมมีครับนักวิจัยที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยครับที่เขาเอา ให้เอาสัตว์หรือคนที่ป่วยนะครับเอามาทดลองแล้วเขาทดลองยาทดลองให้ทดลองยาครับแล้วสัตว์หรือหรือคนนะครับตายเขาจะบาปมากไหมครับก็ถ้าเป็นคนแล้วถ้าคนนี้เขาอาสาสมัครก็ไม่บาปบางทีเขาทดลองยาพวกวัคซีนนี้บางทีเขาต้องให้มีอาสาสมัคร คือไม่ได้ไปบังคับเขาถ้าไม่ได้ไปจับมาเขาบังคับเขาก็ไม่บาปเพราะว่าเป็นการยินยอมของผู้ที่มาให้ทดลองยาแต่ถ้าไปบังคับเขาอย่างนี้ก็บาปอาจารย์อย่างสัรนี่บาปเพราะสัรนีเขาเขาไม่รู้อีหน่อยเนี่ยล้วไปบังคับเขามาทดลองยาอย่างนี้บาปแน่อนค่ะแบบว่า คือเขาบาปแต่แบบว่าเพื่อเขาจะทดลองยาเพื่อจะมาแบบช่วยเหลือคนหลายๆคนแบบนี้นี่ก็ก็ยังบาปด้วยเหมือนกันอันนี้คือเป็นบาปโดยเจตนาหรือว่าแบบยังไงครับคือบาปกับบุญมันเป็นคนละเรื่องกันไงค่ะบาปก็บาปไม่ว่าจะทําด้วยเหตุผลอันใดก็ตามก็บาปทั้งนั้นแต่เมื่อเอาไปทําคุณทําประโยชน์ก็เป็นบุญนะมันก็แต่บาปบาปบุญมันมาล้างบาปไม่ได้ บาปกับบุญนี่ลบล้างกันไม่ได้แต่แต่ต่อสู้กันได้แข่งขันกันได้ถ้าบุญเขาทำนี่มากกว่าบาปที่เ้าทำบุญก็ยังสามารถพาเขาไปสวรรค์ได้นั่นก็อยู่ที่ว่าเราทาบุญมากกว่าทำบาปหรือไม่เราอย่างหมอที่อยากเป็นหมอช่วยคนรักษาคนแต่ว่าเขาก็ยังได้แบบ เขาเรียกว่าได้เงินเดือนได้รายมาอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าเป็นการทําบุญด้วยไหมคะหรือว่ายัางไงคะหลวงพคือมันก็มันก็พูดยากเพราะว่าหมอเขาก็ต้องกินเหมือนกันนพ้าก็ยังต้องกินพ้าก็ต้องไปบิณฑบาตอย่างถ้าหมอเขายินดีแค่เลี้ยงชีพตัวเองแล้วไม่คิดหวังจะร่ารวยหรือมีผลกําไรเขาก็ทําบุญเหมือน้าพระ แต่ถ้าก็หวังทําำรับเราอยากจะน่ารวยอยากจะเอาเงินเอาทองไปซื้อข้าวซื้อของต่างๆตามความโลภความอยากอันนี้ก็ไม่ได้บุญนะอยู่ที่ว่าหาถ้าถ้าทํางานแล้วยินดีกับแค่เงินเดือนเพื่อเลี้ยงชีพอย่างนี้ก็เป็นบุญแต่ถ้ามากกว่านั้นก็ก็จะเป็นเป็นความโลภไม่ได้เป็นบุญนะ เหมือนพระในี่ยพะทางการเลี้ยงชีพไปตามมีตามเกิดถ้าไม่ได้หวังร่ํารวยอ่าอย่างนี้ถ้าก็ยังทําบุญได้ก็ทําบุญทําบุญประโยชน์ให้กับโลกก็เป็นบุญอยู่พอจะเข้าใจไหม<ะ>เปรียบเทียบอ่าเข้าใจค่ะก็ก็<ะ>เปรียบเทียบถ้าหมอยกตัวอย่างหมอที่ทํางานการโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยเงินเดือนน้อย หมอที่ไปทํางานกับโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยต่างกันไหมเงินเดือนต่างกันนะอ่างถึเยอะเลยค่ะเะงินหมอที่ทําบุญทํางานที่โรงพยาบาลรัฐบาลนี่ส่วนใหญ่ต้องเช่าถือว่ายัางทําบุญอยู่เพราะรายได้ไม่มากแต่ถ้าไปทำงานทางโรงพยาบาลเอกชนนี่นะมันขึ้นมาก็สองสามเท่าเนะใช่ค่ะโรงพยาบาลก็แพงมากเออย่างก็อย่า ง, างก็ไม่ได้บุญแล้วมันเป็น มันเป็นการบริการสินค้าบริการน่าเปลี่ยนกันแล้วอันนี้หนูขอถามขอเรียนถามอีกเรื่องนะคะหลวงพอ่อคนที่แบบว่าเขาไม่ได้ระลึกชาติได้อ่ะคะ่ะแต่เพียงแต่ว่าเหมือนแบบนอนหลับแล้วก็ฝันว่าตัวเองเคยเคยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มาก่อนอย่างเงี้ยคะ่ะ แล้วทำให้คือจิตพอพอเขาตื่นขึ้นมามันก็มีความรู้สึกว่าแบบแต่แต่เขาก็ดูว่ามันจะพูดว่ายังไงหมายความว่าคือแต่เขาก็ไม่ได้ยึดติดในสิ่งที่พระชาติที่เขาเป็นอย่างนี้ค่ะแต่มันเกิดความกลัวในสิ่งที่เขาเคยเห็นว่าตัวเองเคยเป็นอะไรมาแบบนี้ค่ะจะทำยังไงดีคะหลวงพอจะจะปฏิบัติยังไงอ่ะอาตามที่พระเจ้าบอกว่า ไม่ใช่ยึดหลักากรารละมาันสะูตรนะอย่าเพิ่งไปเชื่อในสิ่งที่เราเห็นให้เราไปพิสูจน์กัอนว่ามันจริงหรือไม่จริงเอาความฝันนี่บางทีมันก็จริงก็ได้บางทีมันก็ไม่จริงะถ้าเองไม่สามารถพิสูจน์ได้ก็ฟังหูไว้หูก่อนอย่าเพิ่งไปอย่าไปเพิ่งไปสรบว่าจริงหรือไม่จริงะหาวิธีพิสูจน์ถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็ลืมมันไปเยไม่ต้องไปกังวลกับมันบางบางที ถ้ากลัวก็ใช้หลักหลักอนิจจาวชีวิตของเราทุกคนก็ต้องแก่เจ็บตายด้วยกันบางทีเม่ก็ไม่ได้ไม่ได้ยึดติดกับสิ่งที่เคยเห็นว่าตัวเองเคยเป็นไงมาแต่มันมีความรู้สึกกลัวเมื่อเมื่อเห็นสิ่งนั้นที่เราเคยเป็นในอดีตคือมันฝันในหลายครั้ง ถ, ถ, ถ้าเรารู้เหตุว่าเราไปเป็นอย่างนั้นได้ไงก็พยายามลดเหตุ น, นั้น ถ้าเราทำบาปแล้วทำให้เราไปเกิดเป็นอย่างนั้นเราก็อย่าไปทำบาปอีกนะครก็ถ้าเห็นก็กสวดมนต์อย่างเดียวแล้วก็ไมท่ทำใจเป็นปกติสั่งแต่ว่ารู้ไปเฉยๆค่ะอืมค่ะแล้ว ก, ก็ค่ะขก็คุณเจ้าค่ะหมดแล้ว น, น, นะ <c oughs> ยังมีหลายคำถามได้ไว้ไว้รออัจ์หน้าก็ได้ค่ะโอเค ไท่ที่ไปที่ตะวันต่อตะวันอยู่ประเทศอะไราตะวันขอบคุณามปะชิญครับมีอะไรคําถามอะไรไหมครับเออวันนี้นไม่มีคําถามครับอืมยังนั่งสมาธิอยู่เปล่าครับนั่งสมาธิอยู่ครับนั่งกี่วันกี่ครั้งสองครั้งครับงั้งไม่ได้งั้งกนอะที่สองชุดนาจีครับสองครั้งเป็นชั่วโมงนี่แหละ ใช่ครับโอเก่ง okay, นะยนะอ่า น, นรู้สึกไงมากเวลา น, นั่งสมาธิในวิกิพงศ์ก็ไม่ค่อยรื่องดีพอละพงศ์ก็ไม่ใช่อต่เรื่องเลวด้าีแต่ทัพผมมีสงบมากเลยแล้วมีสมาธิผมก็เร้่องดีมากเลยค่ะโอเคก็อยู่ที่สตินะพยายามฝึกสติก่อนมานั่งด้วยนะอืม พยายามท่องพุโทโธอยู่เรื่อยๆทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความพลิกับพุโทโธพุธโทโธอา น, น้ําน้างหน้าแปรงปันกับพุโทโธพุธโทโธไปวเวลานั่งสมาธิใจจะสงบง่ายอเคแม่คุณแม่มีคำถามอะไรไหมบ้างพระอาจารย์เจ้าขาสัปดาห์ที่แล้วที่พระอาจารย์ให้ทิโปโยมานะเจ้าค่ะก็ไปปฏิบัติแล้วก็รู้สึกว่ามันจะ โฟกัส uh, mm hmm. ได้ตรงจุดแล้วก็จะยมคิดว่าน่าจะมีความก้าวหน้าขึ้นด้วยนะคะพระอาจารย์อย่างเวลานั่งไปปุ๊บอย่างเนี้ยแล้วเกิดปิติขึ้นปิติที่โยมที่เกิดเนี่ยมันจะมีหลายตัวมากเลยะคะ่ะพระอาจารย์แต่ว่าโยมจะไปโฟกัสย้ายจากตรงลมหายใจมันมาอยู่ที่หน้าอกซึ่งพระอาจารย์ก็แนะนําโยมว่าไม่ต้องไปย้ายจิตมาให้ไปอยู่ที่ลมหายใจเหมือนเดิมหรือว่าไปโฟกัสที่ตรงไปลายจมูกนะคะ อาจารย์แล้วก็เหมือนว่ามันจะผ่านตรงนั้นไปได้นะคะอาจารย์มันก็จะมีความสบายสบายกายสบายใจนะคะอาจารย์แต่ว่าเลยประจนถึงขั้นชานสี่โยมยังไปไม่ถึงนะคะพอาจารย์แต่ก็ถือว่าน่าแบบให้พอใจเดี๋ยวก็ถึงดูลองต่อไปอย่าทิ้งลมไว้แล้วกันเจ้าขะอาจารย์คือเหมือนบางทีเหมือนกายมันก็หายไปแต่ว่าเหมือนเหลือหัวอยู่อย่างเงี้ยเจ้าขาอาจารย์แต่ว่าที่จุดเดียวน่ะอยู่ที่จุดเดียวอะไรเนยหายก็ช่างมัน ถ้าลมลมจะหายก็ไม่เป็นไรก็อยู่ที่จุดนั้นนะเอยู่จุดเดียวให้มีที่เป็นยึดเหนี่ยวจิตใจไว้ก็ค่พระอาจารย์บางทีก็เหมือนลมจะหายไปก็เออลมหายหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ก็ไม่เป็นไรดูตามความจริงไปหายก็หายไปหายไม่ตายหรอกนั่งสมาธิมันหายมันหายเพราะว่ามันละเอียดเราจัดมันไม่ได้ อยากให้หายเจ้าค่ะอาจารย์มันยังไม่หายสักทีหรือมันหายแล้วก็ยังยังมันถ้ามันหายแล้วเราถ้ามันหายแล้วเราไม่เคลื่อนที่เราอยู่ที่เดิมเนื้อจิตก็รวมบางทีก็รู้สึกว่าตัวมันมันแข็งแข็งขามันแข็งแข็งมันแบบมันอหลังจากที่ากลติไปได้มันจะแข็งแข็งหนักหนักอย่างเงี้ยต้อาแบบอาจารย์ก็โฟกัสไปเรื่อยๆอืมเจ้าค่ะอาจารย์ ทุกอย่างอะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเป็นอะไรไม่ต้องไปสนใจนะอยู่กับลมไปอย่างเดียวอยู่ที่จุดเดียวไปเรื่อยๆแล้วต้องงานทําใจให้นิ่งมันต้องอยู่ที่จุดเดียวเหมือนอย่างนง <c oughs> ถ้าย้ายไปย้ายมามันไม่นิ่งเดี๋ยวไปที่ร่างกายเดี๋ยวไปที่ปีติเดี๋ยวไปที่นู่นที่นี่มันก็เลย <c oughs> ใช่ค่ะเพราะว่ามันรู้สึกตรงกลางอกอเมื่อก่อนรู้สึกตรงกลางก็ว่าเอ้ะเดี๋ยวจะไปดูมันจนกว่ามันจะหายไปมันก็ย้ายไปตรง มอสก็เลยไม่ถึงไหนสตกีเจ้าภาพพระอาจารย์เหมือนจับจับปลาสองมือที่เลยมันหลอกให้ใจวิ่งวิ่งไปทาที่ต่างๆมต้องอยู่ที่จุดเดียวค่ะแล้วจากเมื่อก่อนที่ว่าจะเวลาภาวนาเนี่ยจะเข้าพูทออกโทรใช่ไหมคะพระอาจารย์โจนมันก็ระหว่างวัมันก็เป็นของมันเองทีนี้เพักหลังมันเอที่เคยบอกพระอาจารย์ไว้ว่ามันที่หลังถ้อ ช่วงเนี้ยเข้าพูดออกโทรมันรู้สึกว่ามันหนักเกินไปมันไม่สบายใจเนะะี่ยค่ะพระอาจารย์มันจะไปแค่เข้าพูดออกโทมันก็สงบแล้วนะคะพระอาจารย์อันนี้คือความความก้าวหน้าไหมคะพระอาจารย์คือความจริงมันถ้ามันก้าวหน้ามันต้องดูอย่างเดียวก็พ อ, อดูโยมแพูดโทรอย่างเดียวก็พอไม่ต้องเอาทั้งสองอย่างเมื่อก่อนโยมเอาทั้งสองอย่างตอนนี้คือโยมทิ้งพูดโทแล้วเจ้าค่ะแต่พู ด, พดโทนี่คือจะไปคล้ายตอนที่เหมือนกับว่าตอนถ้าสมุติสัญญาเ ก, ก่าๆมันมาอย่างเนี้ย แล้วโยมก็ความคิดมันมาปุ๊บมันไม่ทันมันยังไม่ทันนะคะแต่ว่าคือพอรู้สึกว่าเริ่มไม่พอใจและก็เลยเอาผู้โทรมาผู้โทรดวๆอย่างเนี้ยค่ะแล้วมันก็หายไปนะคะพระอาจารย์อันนี้คือโยมเอาผู้โธรมาไว้ใช้ตอนแบบค่าสึกมาโจมตีแบบไม่ตั้งตัวนะนะคะพระอาจารย์ใช่ใช่ไม่แล้วผู้โธรไม่นำไปผูกอารมไม่ได้จะได้เร็วช้าได้ตามสบายค่ะแต่ตอนแบบอยู่เฉยๆแบบเนี้ยเออโยมตอนนี้คือจะรู้สึกว่าแคบ ดูลมหายใจก็เพียงพอมันก็สบายค่ะคือไม่มีผู้โทรแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ค่ะถ้ายังต้องพูดด้วยลมเนื่องมันแสดงว่าจิตมันยังคิดมากอยู่ค่ะมันพยายามตอนต้นถ้ามันยังคิดมากอยู่ก็ใช้พูดโทรกำลมพวกผู้ไปก็ได้แต่แต่ถ้ามันจิตนั้นสงบแล้วมันก็ควรจะปล่อยอย่างเอาอย่างได้อย่างหนึ่งนีดบ่างค่ะ มีอะไรไหมมันก็ปสบายขึ้นมากสจ๊ะพะอาจารย์อ่าแต่อย่าไปคาดนะเคยได้คราวที่แล้วเป็นยังไงคราวนี้อย่าไปคาดถึงือนคราวที่แล้วอยากให้อย่าไปอยากให้มันเป็นเหมือนคราวที่แล้วก็ค่ะพระอาจารย์แล้วก็มีเรื่องนึงเจ้าค่ะพระอาจารย์คือเอโยมนอนแล้วแล้วฝันไปว่าโยมกําลังแต่งหน้านะคะพระอาจารย์แล้วก็มีหนอนขึ้นเต็มหน้าเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ เห็นเห็น ต, know, ตัวเองหน้าตัวเองมีหนอนแต่ยุเยืยกอย่างนี้ค่ะแล้วโยมก็เลยสะดุ้งตื่ <e <text> <keit> นเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมก็คิดว่าเอ๊ะมันมันจะฟุ้งซ่านไปเองหรือเปล่าแล like ้วโยมก็เลยว่าถ้าเห็นหนอนนี่เอ๊ะหรืออาจจะเป็นสื่อที่มันตรงกับจริตโยมหรือเปล่าอะไรแบบนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์โยมก็เลยมาดูทูบดู youtube เกี่ยวกับเป็นผ้าปัสุพะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นดูแค่อวัยวะภายในกับพวกกระดูกแบบนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์โยมก็เลยมาดู ศพที่มันมีหนอนอะไรแบบนี้เจ้าคะก็รู้สึกว่ามันจะมันจะพอใจในภาพนั้นที่มาจิตตาขึ้นมานะคะพระอาจารย์ที่มันศพที่มันมีหนอนอะไรแบบนี้เจ้าขาพระอาจารย์ก็ <c oughs> อันไหนที่เราเราเห็นเอามาทําประโยชน์ได้เราก็มาใช้ใช้ได้อค่ะพระอาจารย์อันไห น, น <c oughs> ไม่เป็นประโยชน์ก็เลยมมันไปไม่ได้ไม่สนใ จ, จ อย่างเห็นอ่าจะไปเสิร์ตดูที่ว่าศพเน่าแล้วมันมีหนอนแบบเนี้ยแล้วก็หรืออย่างล่างคนเป็นที่แบบหนอนมันกินแบบนี้ค่ะอาจารย์ก็ว่ามันมั น, ม, นมันชอบตรงนั้นนะคะ่ะอาจารย์ก็ดีก็อา จ, จะเป็นเจล็ดของงามถ<ต>้าน อ, อ, าอนามกลับมาที่ร่างกายเราต่อไปร่างกายเราต้องเป็นอย่างนี้ S <S <ม>ขนาดนนคนนะเป็นหนอยหนอยังขึ้นเลยเจ้าค่ะอานจารย์น <S 2> <S 2> <S 2> ขนาดยังเป็น เ, น, เ, น, เ น, นี่ยยังหนอนมันยังกินเลยเจ้าคาา่ะอาจารย์ได้ค่ะทำเพื่อเราปล่อยวางยึดความยึดติดความสวยงามของร่างกายของเราได้ของแฟนของเราด้วยเจ้าค่ะอาจารยทั้งเราทั้งแฟนเรารถ้าเห็นหน้าตาแฟนเราไม่นอนใช้แล้วก็หงอยไม่มีอารมณ์ของเขาแล้วเป็นไปไหนหายเจ้าค่ะอาจารย์บางทีก็คิดคิดคิดแล้วบางทีมันก็ ค่ะพระอาจารย์บางทีมันก็ตัวกรรมล่ะครับมันก็มันมันก็เอามาใช้ได้บ้างเป็นบางครั้งเจ้าข่าวพระอาจารย์เอามาคิดค่ะการจัดการมันล่ะคะต้องคิดถึงคนที่เราไปมีความนับไปชอบเขาค่ะอแต่ถ้าเรานับความสวยงามของตัวเราเองเราก็าพิจารณาตัวเราเองร้าตกายของเราเจ้าข่าพระอาจารย์ อก็คิดว่าเราไม่ชนะทั้งเขาทั้งเราอะดีที่สุดทุกคนเหมือนกันหมดก็โยมก็ฝึกไปอะค่ะพระอาจารย์ตั้งแต่ทั้งสมาธิด้วยแล้วก็อย่างบางทีเดินไปข้างนอกอย่างเงยบางทีเอ๊เห็นผู้ชายคนนี้หน้าตาดีเอ๊ผู้หญิงคนนี้หน้าตาดีจังอะไรแบบเนี้ค่ะพระอาจารย์ก็เอาภาพนั้นมาใช้ว่าเอ๊เออทาไมไปพอใจกับสิ่งที่เป็นอาหารของหนอนอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าหนอนมันก็คงจะไม่ไป ไปไปขึ้นกับดอกไม้อะไรแบบนี้ค่ะพระอาจารย์มันก็ต้องไปขึ้นกับของที่มันสกปรกเน่าเหม็นอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์อืก็พยายามให้มันทันนะค่ะทุกครั้งนะคะพระอาจารย์ก็พิจารณาไปเรื่อยๆเจ้ค่ะพระอาจารย์แต่เวลาทำนี่อย่าไปทําในขณะที่ทําสมาธินะต้องแยกกันตอนเดินไปห้างอย่างเงี้ยไปเดบซุปเปร์มาร์อย่างเงี้ยเจค่ะพระอาจารย์เพราะว่าโยมไม่ทำนะค่ะพระอาจารย์บอกว่าไม่ให้ทําตอนที่ทำสมาธนี้ไม่เพีคิดอะไรเลยนะโอเค่เจ้าค่ะพระอาจารย์ ดีถ้าออกจากสมาธิแล้วคิดได้ตลอดเวลาทางบาัญญาคิดว่าเป็นไตรลักษณ์คิดว่าเป็นอสุภะเห็นอาหารก็เป็นปฏิกูณนี้คิดได้ตลอดเวลาเจ้าข้าพเจ้อย่างเดินจงกรมก็บางทีก็เดินไปฟังธรรมะไปคิดนู่นคิดนี่ไปอย่างเงี้ยเจ้าข้าพาพาพอจนมันแบบรู้สึกว่าปิติมันเริ่มเกิดกมก็มานั่งสมาธิต่อให้มันสงบไปดูลมหายใจอย่างเดียวอย่างเงี้ยเจา้าค่ะพพาจะดูว่าเวลานั่งสมาธิมันมีสติทําให้จิตสงบได้ไหม อถ้าไม่ได้ก็เวลาเดินหลวงคงก็อยากพึ่งไปพิจารณาเจริญสติไปเรื่อยๆก่อนถ้าสามารถเข้าสมาธิได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรสะขับผ้าชาโอเคสักผ้าชาอ่านนัาา่นก่อนนะสาธุขับผ้าาขอบคุณมากๆค่ะคุณหมอพี่เช่กลับมาแล้วเหรอเป็เดินทางอะไรไหม กลับในเทกาลพระอาจารย์ครับก็เดินทางเหนื่อยครับกลับมาแล้วก็ต้องมาปรับเวลาอี ก, อ, กอีกสองสามวันก็ยังเปเรี๊ยอก็เลยรู้สึกว่าคงจะ อ, อายุลงมากขึ้นด้วยครับพระอาจารย์นก็เหนื่อยามอยากจะนทางออคงจะน้อยลงนะครับก็ได้ช่วงที่ไปก็ได้น้อมนำำําคํำสอนของพระอาจารย์ ปฏิบัติครับในการมั่นเจริญสติสมาธิปัญญาแล้วก็ไม่ปล่อยใจให้ไหลไปตามอารมณ์ต่างๆแล้วได้ฝึกนั่งสมาธิตอนเช้ามืดทุกวันแล้วก็ได้ติดตามข้อธรรมะของพระอาจารย์ใน Facebook ของพระอาจารย์ทุกวันครับก็ทำให้ใจไม่มีความสง บ, บมากขึ้นแต่ว่าก็สถานที่สิ่งแม่น้อมต่างๆก็ยังไม่เอื้อมหน่วยในการที่จะให้เข้าสู่มาได้แต่ก็ได้มา ติดตามดูย้อนหลังครับพระอาจารย์สำหรับวันนี้ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายสมบัติที่แท้จริงที่เราต้องรักษาไว้ครับพระอาจารย์สมบัติที่แท้จริงก็อยู่ในใจเราก็คือความสงบธรรมะเนี่ยความสงบขั้นสูงสุดเราก็เรียกวันที่ผ่านลองลงมาก็าขั้นสมาธิขั้น ขั้นปัญญาระดับต่างๆขั้นโสดาบันขั้นสกิณาคามีขั้นอ น, นาคามีนองลองมาก็ขั้นสมาธิขั้นรูปฌานขั้ปรูปฌานเป็นต้นนองลองมาก็ศีลนองลองมาก็ทานอันนี้เป็นสมบัติของใจจากน้อยไปหามากทําบุญทำทานก็ได้ความสงบสุขในระดับของทานรักษาศีลได้ก็จะได้เพิ่ม ความสงบมากขึ้นนั่งสลาที่ได้ก็จะมีความสงบมากขึ้นไปได้ปัญญาก็จะได้ความสงบที่ยังยืนถาวรต่อไป <c oughs> ทั้งหมดนี้ก็เป็นสมบัติที่แท้จริงของใจคือธรรมเนี่ยต่างที่พระเจ้าเคยตรัสไวว่าให้สลาซับเพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรมเนีย ทำก็คือเนี้อทำระดับต่างๆที่จะทำให้ใจนี้มีมีความสุขมีความสงบมีทรัพย์ภายในขึ้นมาเป็นอริยทรัพย์ต้องปฏิบัติทานสินภาวนาตลอดไปจนกว่าจะชีวิตจะหามหรือจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางที่สูงสุดไปทำไปเรื่อยๆ ทานก็ทำไปจนกว่าไม่มีอะไรจะทำไม่มีอะไรจะให้ก็หยุดให้ได้ก็มาที่ศีลกับสมาธิปัญญาตามลำดับต่อไปอย่างที่เมื่อกี้คุยกันก็คุยแต่เรื่องสมาธิกับปัญญาล <c oughs> แล้วสมบัติที่เราจะได้ก็คือความสมบางบแล้วก็แบ่งเป็นชั้นๆไปริยะัพั์ ชั้นสโสดาบันชั้นสกิรดาคาชั้นนาคาชั้นอหรหันี่ยจะมีความสงบที่เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนเต็มน้อยขึ้นมาอยู่ที่การปฏิบัติของเราอัตัยอัตโนนาโุเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองพระพุทธจาพระธรรมวสัเป็นผู้สานผู้สอนะเป็นที่พิ่งในลักษณะของผู้สานผู้สอนแต่เราต้องเป็นที่เพิ่งของเราด้วยการปฏิบัติ พพุทธพระธรรมพระปฏิบัติให้เราไม่ได้อ่าเนี่คือทรัพย์สมบัติที่แท้จริงที่จะอยู่กับใจไปตลอดเพราะใจไม่มีวันตายแต่ทรัพย์ทางร่างกายก็คือโลกโลกียทรัพย์นี่มันเป็นของชั่วคราวพอร่างกายตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวแม้แต่ร่างกายก็เอาไปไม่ได้ทิ้งหมด เอาไปได้ก็คือนามธรรมรูปธรรมอะไรไปไม่ได้เนี่ยขอบพระคุณอย่างสงูงครับอาจารย์ okay, นะสาธุไปที่คุณยายกับนาโมหรืออะไรคุณยายกับสันโดรนะสันโดด ก็อยู่อาจารย์ผมไม่รู้ละสรุปของชื่ออะไรเนี่ยเออชื่อมันเป็นสมบุริ์ในเวลาใกลครู้ว่าคุยพูดถึงใครกันแล้วกันอาจารย์หลากหลายชื่อหลากหลายเก็วันนี้มันพาพาคุณยายเข้ามากราบอาจารย์ะแล้วก็มาส่งสภาวธรรมคุณยายยังแข็งแรงอยู่นะก็อยู่ที่บ้านเดิมนะ ในความสุกดีนะอยู่บ้านไม่ไม่รู้สึกเศร้าไม่รู้สึกเหงาเนะ่ยอยู่คนเดียวก็อู่คนเดียวแต่ต้องต้องทำอย่างนั้นนะคะเพราะว่าไม่มีใครอ่าจารย์ครับไม่น่าจะรู้สึกเหงานะะเพราะว่าเพิ่งไปเที่ยวมาเาามปิดเผยความลับเลยนะเห็นคุณยายบอกว่าดูมีความสุขแล้วไม่ใช่นะะอาจารย์พอดีเพิ่งไปเที่ยวครับผมไม่ใช่ ไอ้พระอาจารย์ถามไงแต่ามอันนี้มาส่งกันบ้านครับอืมีอะไรนอหลังจากที่พระอาจารย์ให้กันบ้านมาว่ายอมหยุดเย็นยิ้มในฝันได้หรือเปล่าผมก็ลองดูปรากฏว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ได้ยําว่าครั้งเดียวค <c> ร <oughs> ับผมพระอาจารย์ที่สามารถยอมหยุดเย็นแล้วก็ยิ้มในฝันได้ อันนี้ถือว่าผ่านไหมครับแม่าจ๊ะก็เราเราไปกำหนดไม่ได้หรอกเวลาฝันเนี่ยถ้ากำหนดได้มันก็ไม่ใช่เป็นความฝันนเหมือนประมาณว่าเจอเหตุการณ์หนึ่งแล้วเราก็เหมือนปกติในฝันน่ะมันจะต้องมีโวยวายหรือว่าแบบพูดไรบ้างแต่ครั้งนี้เราก็ทำใจสบายๆอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในฝันแล้วลองดูเวลาใจของเจนยังเหมือนกันหรือเปล่า ของจริงของจริงได้ในบาทไม่เหลือความฝันอาจจะเป็นบ่งบอกว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างนี้แต่พอเจอของจริงมันยังจะเป็นไปตามที่มันบ่งบอกหรือเปล่าก็ต้องพิสูจน์ดูอีกทีนี้ลความมั่นใจก็อย่าประมาทก็แล้วกันก็ยามยอมหยุดเย็นไปเรื่อยกนแล้วกันครับอาจารย์แล้วก็ ตั้งการบ้านที่พันจันเคยให้ไปนานมากแล้วเรื่องการพิจารณาโครงกระดูกมันก็มานั่งไล่ดูโครงกระดูกแล้วก็อันคล้ายๆกับจะไปเพ่งนะพันจันพอพอเห็นภาพโครงกระดูกเราก็จับภาพนั้นไว้พยายามดูจับภาพนั้นไว้บางทีมันก็พอเดินไปอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเห็นเขาเป็นโครงกระดูกเลยแต่ในหัวมันจะเหมือนความคิดดัมันจะเป็นภาพสิ่งที่เราเพ่งเอาไว้ แต่มันจะไม่เหมือนกับว่าเห็นเขาเป็นโครงกระดูก อ, อันนี้ก็ต้องพยายามมองก็เห็นไปโครงกระดูกอตอนต้องเริ่มมองของเราก่อนน้เ<ม>วลาเราดูหน้าตาเราที่โคงที่ในกระจ ก, กนึกถึงสิ่งที่อยู่ภายใต้ถึงหน้าเราประโลกศีรษะแล้วก็แล้วก็ไล่ลงมาสู่แขนขา ซีโครงอะไรทั้งหมดเนี่ยพยายามมองอยู่เรื่อยๆให้มันชินต่อไปเวลามองติงไปคิดเห็นไปก็คิดถึงโครประดูกเขาก่อนแทนที่จะคิดว่าชื่อเขาชื่ออะไรดูโครงกระดูกเขาก่อนอพจานะเรื่องเรื่องนี้น่าจะลำบากนิดนึงเพราะว่าผมชอบลืมชื่อคนยิ่งนึกก็ เนี่ยไเหมือนพระอาจารย์รู้เลยบางทีเจอหน้าคนต้องนึกก่อนก็คืออะไรใช่ไหมเวลาก็ต้องนึกโคง้งถึงโค้งกระดูกเขาก่อนนะครับผมอาจารย์แหมเหมือนพระอาจารย์รู้ใจเลยวครับผมอาจารย์เอ๊ะพระอาจารย์ท่านขอโอกาสแล้วเวลาที่เราสมมุติว่าเรานั่งกรรมาฐานเนี่ยเราอยากจะนั่งพิจารณาโค้กระดูกอะแล้วเราอยากเหมือนด้วยความที่เรายังไม่สามารถเห็นเป็นอัตโนมัติว่า ร่างกายเป็นกระดูกโครงกระดูเราใช้การนึกคิดภาพเอาใช้ความคิดใช้จินตนาการไปก่อนเนี่ยบางทีถ้าสมมติเรานั่งสมาธิอาจารย์แล้วเราปิดตาไปเนี่ยเราเหมือนต้องคล้ายๆว่าจินตนาการว่าอสภาพความรู้สึกของเราที่มีอยู่เนี่ยคือโครงกระดูดที่กําลังนั่งอยู่นะครับอาจาย์ยังไงต้องต้องเหมือนจินตนาการว่า ตัวเราเนี่ยที่นั่งอยู่อ่ะคือโครงกระดูกที่นั่งอยู่อเอเวลาคิดถึงแฟนแเราเราเจ้าจินตนาการหรือเปล่าไม่มีแฟนเนาะคนที่เราชอบเลยคนที่เราชอบ <c oughs> แหววพเจ้ามันก็เหมือนกั น, น <c oughs> อ่ะตอนนี้เ <c oughs> นั่งอยู่ตรงนี้เราคิดถึงพ่อแม่เราแล้ว้องจินตนาการหรือเปล่ า, ามันก็ต้องจินตนาการนะ แต่ถ้ามันฝังมันเป็นอัตโนมัติไม่ต้องกินอะไรก็คิดถึงเขาก็รู้ว่หน้าตาเขาเป็นยังไงเลยก็ใช้ความคิดคิดบ่อยๆจดจําบ่อยๆต่อไปมันก็จะอัตโนมัติมันก็จะฝังอยู่ในใจเรา okay. uh huh. ต้องใช้อาสาอาศัยการ น, นึกคิดไปเรื่อยๆก่อนนึกถึงโกกระดูกคิดถึงโองกระด้ไปเรื่อยๆก่อน แล้วต่อไปมันก็จะฝังอยู่ในใจต่อไปเวลาเราเห็นใครเราก็นึกถึงโครงกระดูกเขาทันทีแ mm hmm. ต่แทนที่จะนึกถึงชื่อเขาเราไปถูกสอนให้นึกถึงชื่อเขาไม่ให้นึกถึงโครงกระดูกเขาท่านเองก็เลยมองไม่เห็นโครงกระดูกเขาเห็นแต่ชื่อของเขาต่อไปเราก็มาม า, มาสอนใจให้นึกถึงโครงกระดูกเขาด้วย mm hmm. เขาชื่ออะไรมีโครงกระดูก mm hmm. แล้วเขามีโครงกระดูกไหม จะกลับไปปฏิบัติแล้วก็ตอนเนี้ครับอาจารย์สภาวะที่เป็นอยู่เนี่ยคือปกติก่อนหน้าเนี้ยที่หายไปประมาณอาทิตย์กว่าไปฝึกฝึกพุทโธไปสร้างพุทโธให้มีกำลังปรากฏว่าตอนเนี้ครับอาจารย์คือจะใบกรรมพุทโธไม่บริกรมพุทโธมันจะอยู่กับความรู้สึกตัว มันจะมันจะรู้สึกตัวเหมือนแบบว่ากาลังทาอะไรอยู่ยังชัดเจนมันเหมือนแนบแน่นไปกับร่างกายอาจารย์แล้วพอมันแนบแน่นไปกับร่างกายมันเหมือนมันไม่นิ่งเหมือนแบบเราบริกรรมฟุตโถะอาจารย์แต่ว่ามันจะไปเห็นในสิ่งต่างๆที่ชัดเจนเช่นสมมติเสียงมาเราก็จะเห็นว่าเสียงมาไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมันจะมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดนอาจารย์อยากอยากทราบว่าต้องปรับไป เอาพุโทโธนะฮะหรือว่าถ้าเป็นสภาวะ น, นี้ที่เรายังมีสติสัมปชัญญะอยู่ไม่ต้องไปเอาพุโทโธเลยมันก็ต้องอยู่เรื่องเดียวอย่าไปอย่าไปตามเสียงรูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาสัมผัสถ้าไปมันก็ไม่มีสติแสดงว่าใจมันลอยไปมันต้องมีอะไรยึดให้มันอยู่อยู่กับเสียงเดียวให้ได้ถ้าอยู่กับพุโทโธก็พุโทโธแล้วมีเสียงมีรูปอะไรมาก็ไม่ต้องไปสนใจอยู่พุโทโธไป เดี๋ยวนั่งสมาธิก็นั่งสมาธิพอมีอะไรปรากฏก็ตามมันไปพิติมาก็ตามมันไปเลยเราต้องการให้มันนิ่งใหมันยุอยู่ที่เดียวอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับร่างกายเสียงเข้ามาอะไรเข้ามาก็ไม่ต้องไปสนใจไ ด, ได้หลักกานะรแล้วัะไปแก้ไขครับอาจารย์ แต่ก็มีข้อยกเว้นว่าถ้าเกิดมีลูกเข้ามาเขาจะมาทําร้ายเราเราก็ต้องรู้จักหลบไปกันเลยด้วยไม่ใช่ไม่มองไม่เห็นเลยถูกไหมก็ต้องรู้ด้วยแต่รู้ล้ว ก, กลับมาที่ที่ที่หลักของเราอย่าไปตามลูกนั้นไปไม่จะเห็นคนเห็นคนสวยงามตามเข้าไปก็ เ, เดินไปก็ดูตามเข้าไปให้รู้ปับ๊บแล้วก็กลับมาที่กลับมาที่หลักของเรา กลัมาที่พุโทโธแล้วกลับมาที่ร่างกายไม่ใช่ทิ้งร่างกายทิ้งพุโทโธตามเข้าไปเลยแต่เหมือนว่าอาจารู้ใจยเยอะมากเลยวันนี้อ้า <laughs> กระจของคนส่วนใหญ่มันเป็นอย่างไงมันมันไม่มได้อยู่กับที่ <laughs> อ่ะพอไปสัมผัสแล้วถูกใจน่ะก็ไหลไปแล้วไม่ถูกใจก็ไหลตามไปไ ม, ไม่ถูกใจก็ไปโกรธเขาไปเกลียดเขาตามไปโกรธตามไปเกลียดเขาก็าหายไปแล้วยังใจก็ยังไปตามโกรธเกลียดเขาอยู่อาจ ให้กลับมาที่อยากหลักยึดของเราหลักยึดคือกรรมฐานพุโทโธนั่งร่างกายอันนี้เป็นหลักยึดแล้วกรรมฐานที่ตั้งของงานของเรางานของเราก็คือพุโทโธนะั้นการเฝ้าดูร่างกายแต่ถ้าเราอยู่อยู่ข้างนอกเราไปเกี่ยวข้ อ, ของกับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ต้องรู้รอบรู้ด้วยแต่ต้นำรู้แล้วก็ปล่อยวางอย่าไปสนใจกลับมาอยู่ที่ งั้การที่จะเรักสติให้อยู่กับที่เดียวได้ดีที่สุดก็ต้องไปอยู่ที่ปีกวิเวกอยู่คนเดียวอยู่ในปา่ามันไม่มีอะไรมาคอยเด้งใจไปเข้าใจไหม <c oughs> อันนี้เราฝึกสติไปพุโทโธสองาํา <c oughs> เห็นเห็นนู่นเห็นนี่ตามรูปนั้นไปแล้วนี <c oughs> ้เราถาม <c oughs> ว่าคิดว่ายังยังคิดว่ามีสติสัมผัสชัญญ้นยะอีกอันนี้ไม่ใช่แล้วลนะ่ะ แหละวันนี้โดนเต็มเตมัน้มีสติอยู่เรื่องเดียวสิ่งเดียวนะไม่ใช่มีสติรู้กับทุกเรื่องอะไรเข้ามาก็รับรู้ต่างเข้าไปหมดเลยบางทีมันก็กำหนดไม่ทันนะครับ แ, แจนโดนหลอกอไปเงี้ยนะได้ต้องลองไปกำหนดดูอยู่ที่คนเดียวดูไปอยู่ที่ที่วิเวทที่สงบอยู่คนเดียวอันนั้นอไม่มีอะไรมาดึงใจไป มนดูสิว่าใจมันยังจะหนีไปได้ไหรือเปล่ายังไม่มีไม่มีรูปเสียงยินน้นกิเลนมันยังดึงใจให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ได้ <c ười> อ, อต้องต้องต้องก่อนหนึ่ ง, งเลยคือหลักเนี่ยคือผมผมขออนุ ญ, ญาตทบทวนนะอาจารย์ก็คือตอนเนี้ยกลับไปพูดโทให้ได้เอาให้แบบไม่ต้องวกแวกแล้วแล้วกันที่สองก็คือการพิจารณาโคงกระดูกเนี่ยเอาให้มันแบบ ให้กับคนให้มากที่สุดโดยเ<ม>ฉพาะยิ่งกับตัวเราแล้วบน ท, ทดสอบตอนนี้กาลังคิดแบบฝึกหัดมาทดสอบตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องทําให้ได้กับทุกคนนะแต่คนที่เราชอบคนที่มันไม่ชอบอะไรก็ตามโคมาดูโคมอะไรต้องให้ได้หมดถูกไหมครับก็จะไม่มีคอยกเว้ก็ถูกแต่คนจะทําพูดโธก่อนดีกว่าทําหลายเรื่องด้วยการมันไม่ไหวแล้วทําพูดถกให้ได้ก่อนดีกว่าแล้วค่อยไปที่คอดูดไปอะไรต่อไป มันตอนเอาสมาธิเอาสติก่อนปัญญายังไม่ต้องไปแล้วถ้าพิจารณาคงกระดูกมันเป็นปัญญาของมันอยู่แล้วใช่ไหมครับอามันปัญญาแต่มันไม่มีไ ม, มไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิมันก็หยุดความโลภความกลัวความหนงไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปทางปัญญาพยายามไปที่พุโทโธให้ได้ก่อนไปเกิบแทรรวมเป็นสมาธิให้ได้ก่อน พยายามเข้าอภัยน้ำออ่าคุกันบางสติสมาธิแล้วค่อยปัญญาเนี่ยมันทั้นข่านไปอันนี้นเอาทั้งสติเอาทั้งปัญญาเลยสับสนไม่หมดไม่รู้่ไหนเป็นสติไม่รู้วไหนเป็นปัญญาครับอาจารย์กรรมาฐานครับกรรมปฎิฐานกรรมฐานอ่าพุโทโธครับไม่ไม่หันได้มองนะครับ พอมันไปกันหึงมันกลับมาพอมันไปกันหึงมันกลับมาครับรับทราบครับคุณยายฟังเข้าใจไหมคุณยายก็รู้บ้างไม่รู้บ้างแต่ยายก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ทําทุกวันเลยค่ะก็อยู่อารมณ์ไปอย่างเดียวอย่าอย่าตามไปเ ทางช่องทีวีช่องไหนก็อย่าตามไปไปดูลมไปเรื่อยๆอย่าไปดูทีวีอย่าไปดูหนังดูไปดูละครดูลมดีกว่าดเราสบายใจไม่เครียดละละครแล้วเดี๋ยวเครียดไปกับเรื่องละครนี่แต่วันนี้พระอาจารย์อ่าใจผมได้มากแล้วอ่านหมดแล้ว อาจารยโอเคนะการนั้นเดี okay enfin ๋ยวก็เลยล่าอยู่เยอะเดี๋ยวแม่ครับครับใช่ครับการท่านอาจารย์ท่านแงแรงไอ่าไปได้คนที่ตีมาหาไปไหนเอ่ยกลัรมาเจ้ากการค่ะพระอาจารย์อาทิตย์แล้วไปอ่งานของเจ้านายมาค่ะก็เลยไม่ได้เข้ามาค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็เลยเข้ามากลับพระอาจารย์ค่ะแล้วก็รับฟังทักค่ะโอเคค่ะอาจารย์นักการแขงแรงค่ะอ่คุณฝนกับลูกชาย วัดีกรรบนมมัสการค่ะพระอาจารย์เอวันนี้ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์แต่ว่ามาเรียนพระอาจารย์ว่าเดี๋ยวศึกษาที่นิยมจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดนะเจ้าค่ะพระอาจารย์อลองดูนะอยู่คนเดียวดูลองลองดูเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ครั้งแรกค่ะพระอาจารย์ก็ยังไม่คาดหวังหึือไม่ได้อะไรก็อยู่กับปัจจุบันเจ้าค่ะเดี๋ยวไปก็คงรู้เองเจ้าค่ะพระอาจารย์ไปเปรียบเทียบดูว่าระหว่างอยู่คนเดียวกับอยู่ ที่เกี่ยวกัไรหล า, ลายคนเป็นยังไงค่ะเจ้าค่ะก็ครั้งแรกค่ะเดี๋ยวก็คงเป็นประสบการณ์ที่ดีเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ตั้งใจเ ว, วลาลางานแล้วก็ตั้งใจเลือกวันศุกร์ที่ตรงกับวันพระเจ้าค่ะจะได้ไปฟังธรรมพระอาจารย์สามวันติด ก, กันเลยเจ้าค่ะืพยายามหยุดความคิดให้ได้นะเอาหมายแรกหยุดความคิดให้ได้ค่ะก็ ค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ยังเน้นฝึกสติเหมือนเดิมเจ้าค่ะยังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ก็แต่ก็พยายามจะนั่งนั่งสมาธิอยู่ตลอดเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่ใช่มาอยู่บนเก่าใจยังกลับมาที่บ้านนะทำค่ะกั้งกลางพระอาจารย์ค่ะแล้วเดี๋ยวยมไปวันสุดรอ่าใช่เน็ตไม่ค่อยดีเจ้าค่ะพระอาจารย์กลับเจ้าค่ะค่ะ อ่ไปที่นราธิวาสคุณศร้าจากคุณดิษยารับนมัสการค่ะเป็นยังไงใครมีอะไรพูดมาเลยจบแล้วไม่มีคําถามค่ะอาจารย์ฟังธรรมคม่ะพระอาจารย์ผมก็ไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์โอเคไม่มีก็ไปเลยนะสาธุค<อ>่ะายที่คุณศาตะการต่อ ใช่ น, าน่ามาฟังธรรมครับอาจารย์คุณอาจารย์พรมวมิไลกับคุณอนุกูลเป็นยังไงอาการดีขึ้นไหมดีขึ้นกครับตอนนี้เดินวันหนึงเป็นชั่วโมงแล้วฮะหมอบอกให้เดินนะก็พยายามที่จะเดินให้มากเพราะว่าหมอบอกทำทุกอย่างได้แล้วฮะ จริงแต ว, ว่าไม่ได้เดินมาหลายอาทิตย์ก็ <c oughs> เลยเดินไปก็พุทธัวไปด้วยจะได้ได้ทั้งสองอย่างได้กําำครได้ทั้งกายแล้ทั้งใจออกกําลังกายแล้วก็ออกกําลังใจไปด้วยัังใจคร บ, บ, ครบตอนนี้ก็วางแผนกันว่าะจะไปไปกราบพระอาจารย์นะคะ่ะอ่าก็ดูเหตุก<บ>ารณ์ไปแล้วกัน ถึงเวลาก็ไปค่ะเดี๋ยวให้เรียบร้อยสักนิดหนึ่งค่ะมัม่วเมื่อวานนี้มีฟังจากภาคภาษาอังกฤษนะคะก็มาติดใจอยู่ประเด็นหนึ่งซึ่งไม่ได้ติดใจนะเห็นด้วยแล้วก็ชอบมากแลก้วพระอาจารย์ตอบไปว่าเรื่องเกี่ยวกับความเมตานะคะล้วก็บอกบอกคนแต่งชาติว่าให้ทาสมาธิเยอะๆความเมตตากระทัปพิเนสเนี่ยมันจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ มันจะติดอยู่ในตัวก็แล้วพอเห็นตรงนั้นปุ๊บเนี่ยก็เลยมามาพิจารณากับตัวเองอนะคะว่าโอ้เดี๋ยวนี้เราเนี่ยมันมันเป็นไปในลักษณะแบบนั้นอืมมันมันง่ายมันเป็นธรรมชาติค่ะมันเป็นธรรมชาติถ้าใจเรามีความสุขแล้วเราก็จะให้ความสุขกับคนอื่นได้ง่ายค่ะแล้วเราไม่ได้ความสุขเราจะความสุขไปให้เขาได้อย่างไรค่ะก็เลยการปฏิบัติธรรมที่ สะสมมาทํามาเรื่อยๆ เ, เนี่ยมันมันก็เห็นไปเรื่อยๆนะคะคนข้างเคียงก็สามารถสัมผัสได้คือทุกคนสามารถสัมผัสได้เราก็สัมผัสได้อืก็สิ่งหน<ส>ึ่งที่นำเอามาใช้ได้อย่างจริงจังเป็นสันทิสิโกะนะครับพระเจ้าเป็นสันทิสิโกผู้ปฏิบัติย่อมรู้ย่อมเห็นได้กับตนเองใช่ยงังอุเบกขานี้มาแบบชัดเจนมากคือแบบ คือเห็นชัดนะคะในหลายๆเดือนที่ผ่านมามันเงียบมันนิ่งนะคะเราก็ทำได้ดี่ตามได้ทันตลอดเลยทาต่อไปนะทาไปเรื่อยๆสติสำคัญมากทำทุกวันนะคะพยายามี่สุดหายเร็วๆนะคุณนุกูลนขอบคุณครับพระอาจารย์ครับเร่าไม่ใ่อาจารย์ค่ะไปที่น้องออบต่อ พงอ๊อบอวินชนบุรีเป็นยังไงมีนัด<ะ>บนเขายังยังค่ะยังไม่ไปหาผีบนเขาบ้างยยังไม่ถึงคิวค่ะเดี๋ย ว, วหาเวลาจองค่ะพูา้อาวาุโสต้องหาเวลาจองด้วยค่ะโอเคพูพ้าอาารย์มีคำถามคำถามหนึ่งค่ะถ้าเรารู้สึกแบบ หมดไฟในการทํางานอย่างเงี้ยค่ะเราต้องทํายังไงดีคะข้อแรกก็คือหยุดคิดข้อสองก็ก็คิดว่าเออมันก็เป็นแบบเนี้ยแหละมันก็ขึ้นขนลงลงไปไ ป, ไปมามาอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมก็ถ้ามันหมดไฟก็เลิกทํางานทั้เลยเล <c oughs> ไปบวชชีนะไม่ไดีกว่าเลยจิตไม่นานจะเบื่อแล้วมันแต่ไม่มีไฟทํางานแนละ้วมันอยากจะไปออาจจะอยากจะไปบวชแล้วมันก็ได้ ไม่มไม่ลองไม่ลองมองดูทางนี้ม้างเหรอเอะที่เราหมดไฟท่านี้อาจจะเป็นเพราะเราอยากจะไปทางนี้หรือเปล่าไปยังไม่อยากไปยังไม่อยากสมันมันอาจจะเป็นอารมณ์อารมณ์เช่องใช่ใช่ค่ะอย่าไปให้ความสําคัญกับอารมณ์ต่างๆพิจารณาว่ามันเป็นตายรักไปมันเป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอืเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอื เราใช้เหตุผลอย่าตัดสินใจไราใช้เหตุผลว่าเรายังต้องทํางานอยู่หรือเปล่าถ้าทําก็ก็ต้องพยายาม บ, าบังคับมันว่าถึงเวลาต้องทําก็ทําไปแต่ถ้าไม่มีเหตุผลที่ต้องทําแล้วก็กเลิกทำเลยทําไปทําไมตายไปก็อะไร<อ>ไปไม่ได้แค่นี้ใช่ค่ะอ่าให้ไปทํางานที่เอาไปเอาของเอ า, เอ า, เ, อาเอาไปได้ งาน ท, ที่เราเอาของไปได้ก็คืองานธรรมะนี่ค่ะบุญกุศลนี่เอาไปได้หมดรับสมบัติเจ้าของเงินทางบ้านช่องนี้ไม่เอาไปไม่ได้แม้แต่ชิ้นเดียวแม้แต่ร่างกายก็เอาไปไม่ได้ทำไปทําไมทําไปพราความหลงเนี่ไหมเพราะมันยึดติดมันยังติดความสุขทา ง, ทางโลกอยู่ มันยังไม่เจ้ความสุขทางธรรมถ้ามันได้เจ้ความสุขทางธรรมแล้วมันทิ้ทงทันทีเลยทางโลกอล อ, องพยายามไปปฏิบัตินี้เยอะหน่อยเริ่มการปฏิบัติให้มากขึ้นค่ ะ, ะปัญญาก็ตัดอะไรไม่ค่อยขาดแล้วค่ะแต่ก่อนอคือแบบโอ้บางบางเรื่องรู้ทันแต่บางเรื่องคือตอนนี้คือตายเลยคือมาต่อยก็คือสลบเลยค่ะได้ มันยังเป็นบรรัญญาเพียงอยู่มันเป็นสัญญาบัญญาจริงมันต้องมีสมาธิเป็นผู้ ค, คอยสนับสนุนค่ะ <Okay. S 2> ไม่มีคำถามแล้วคะ่ะแล้วก็ตื่นค่ะถ้ามีอารมณ์ก็อย่าไปอย่าไปสนใจใมันให้พิจารณาว่ามันอ น, นิจจังไม่เที่ยงก่อนแล้วก็ดับไปถ้าจะตัดสินใจก็ตัดสินใจบนความบนเหตุผลว่าเอยังต้องทําอยู่หรือเปล่า ถ้ายังต้องทำก็ต้องพยายาม บ, าบังคับว่าเราก็ต้องทำต่อไปถ้าไม่มีเหตุผลที่จะทำล้วก็เลิกทาไปทำไปทำไมถ้าเราพอมีอพอกินอยู่ด้านไม่ลำบากจะเลยมาขอกำลังใจจากคุณอาจารย์ <c oughs> จะได้ไปทำจะได้ไปทำงานทางทางธรรมางจะได้ขยันขึ้นหน่อยคะ่ะ <c oughs> ปาขอพระคุณเราทำงานแก้หกเดือนเราก็เบื่อนะเราออกทำงานนะขอขอขอค่ะคพระอาจารย์ว่าทำงานทั้งทำเนี่ยมีความสุขมากกว่ามนความอิ่มความพอมากกว่าไม่หิวไม่โหยไม่อยากกับอะไรโอเคนะปา ข, ขอบพระคุณนะไปทีท่แม่ น, <c oughs> น้องเห็นเป็นยังไงมีอะไรไหม กับสาธุค่ะพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าคะได้ยินจ้าค่ะเพิ่งผ่าตัดไปวันที่ยี่สิบแเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ทดสอบอเลยนะเจ้าค่ ะ, ะผ่าเปิดหน้าแล้วก็เอากล้ามเนื้อมา อ, อันนี้ค่ะแบบว่ามันเาสริมม มาเสริมเหมือนดึงดึงกระชากอะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเส้นคู่ที่เจ็ดมันขาดอะคะ่ะมุมปากเลยตกก็เลยเอากล้ามเนื้อที่ขามาเปิดเปิดใบหน้าเลยค่ะพระอาจารย์คือเปิดหลังหูยาวเลยค่ะเย็บยาวเลยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ประเด็นค่ะพระอาจารย์จากการปฏิบัติก็คือพอหนูก็ตอนนี้แหละมันเป็นบธททดสอบของหนูแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์คือ แพทย์ก็จะถามอะค่ะว่าปวดไหมเจ็บไหมหนูก็จะตอบว่าอย่างเดียวก็คือไม่ปวดค่ะก็ไม่ได้ขอยาแก้ปวดนะคะพระอาจารย์ก็ไม่พยาบาลก็จะประเมินระดับความปวดหนูก็ตอบแต่หนึ่งสองค่ะหนึ่งสองค่ะก็ไม่ปวดค่ะพระอาจารย์พอตอนที่ผ่ากระโหลกเนี่ยยังทรมานยังเจ็บยังปวดนะคะแต่ตอนมาผ่าใบหน้าเนี่ยก็ไม่ปวดมิจฉาหมอบอกว่า ทานยาบ้างได้ไหมทานยาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์หนูก็บอกว่าไม่ป่วดจริงๆค่ะคุณหมอก็เหมือนเอาร่างกายอ่ะค่ะเป็นเหมือนเ c สต e s ด u ี y เหมือนเป็นอ่าให้หมอได้อ่าเหมือนเป็นครูใหญ่อ่ะค่ะพระอาจารย์ที่บอกได้อ่ะค่ะแบบมีสติค่ะพระอาจารย์หนูก็ชอบตรงนี้นะคะถาๆมันก็ได้ได้แบบเหมือน โชคดีค่ะพระอาจารย์คือตอนผ่าเนี่ยปัญหาคือเลือดมันต่ําถึงยี่สิบสามเลยอ่ะขีดโชคดีที่ว่าได้เลือดบริจาคเนี่ยแหละค่ะขึ้นมาสามสิบเอ็ดเนี่ยค่ะพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าโอ้คุณบริจาคเลือดนี่เป็นบุญกับคนป่วยมากเลยค่ะพระอาจารย์ก็เลยสาธุบุญด้วยอะค่ะหนูก็ได้กลับบ้านเร็วค่ะพระอาจารย์คือ มันไม่ปวดแล้วก็ไม่ได้ทรมานร่างกายมากค่ะพระอาจารย์มีความสุขที่ใจดีนะคะพระอาจารย์ไม่ได้เจ็บมากเลยค่ะพระอาจารย์ก็เวลานอนเนี่ยก็ไม่ต้องขอยานอนหลับค่ะพระอาจารย์ก็พุดโธพุดโทพุทโธก็หลับไปเลยค่ะพระอาจารย์ก็เป็นอาการปกตินะคะก็จับจะพุทโธเนี่ยค่ะพระอาจารย์ใจเรามีธรรมโอสนใจเราไม่เดือดร้อนใช่ค่ะพระอาจารย์หนูแล้วโอ้โหเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะพระอาจารย์ ถึงแม้ร่างกายจะเจ็บปวดอย่างนี้นค่ะแต่ว่าใจมันไม่ได้เจ็บปวดด้วยมันก็เลยไม่มีความปวดกับร่างกายนะคะพระอาจารย์มีมากมีมากน <ทำ S 1> ี่แหละอก ด, อดีจริงๆค่ะพระอาจารย์คืนถึงน่าจะบวมน้ำเหลืองมันจะออกอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้มาทุกทรมานร่างกายก็ทำแผ่ไปสบายๆนะคะพระอาจารย์ไม่ได้ทรมานอะไรอะคะ่ะเพียงแต่ว่าทาให้มัน อ๋ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ<ม>พระอาจารย์น้ำายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเจ้าค่ะพระอาจารย์หนูก<ม>็ดีใจด้วยแบบดีใจตัวเองมากที่ได้มาปฏิบัติกับพระอาจารย์ได้ฟังทมแล้วก็ได้พอเจอเหตุการ์อ่าการผ่ า, นาหน้าในครั้งนี้ก็ได้แบบอกใจเรามันมันคงจะมีความสุขแล้วค่ะพระอาจารย์ไม่เห็นมันทรมานร่างกายเลยค่ะพระอาจารย์ไม่เจ็บไม่ ข่าวผจญดีมากดีมาการัก็เลยได้ษาจารย์หนูก็เลยได้บอกแต่คุณหมอค่ะว่าเป็นอาการเป็นลักษณะแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยได้แบบพูดอย่างมีสติเลยค่ะผจาญเหมือนสุพูดได้ค่ะพอาจารญโอเคข่าวผจอาจารย์เนี่ยนะไปที่คุณซันนี่แบงค์เข้ า, อ, า อ, อันนี่นะ าาการนมัสการค่ะพระอาจารย์วันนี้เข้ามาร่วมฟังธรรมไม่มีคําถามค่ะเงินไปเลยคุณหมอภาสนะเงิอาต่อหม อ, าอการนมัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ยังคงปฏิบัติสม่ำเสมอนะคะแล้วก็วันจันทร์ที่พระอาจารย์เทศที่เรื่องอวิชชาปัจยาสังขารเราก็ฟังแล้วแบอกเออเริ่มคือแบบรู้สึกมันเข้าใจแล้วก็พยายามปฏิบัติเลยค่ะพระอาจารย์รู้สึกดีมากเลยที่พระอาจารย์เท่ทั้งหมดเลย จแล้วก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวก็จะไปอยู่วัดหลวงพ่ อ, พอสามดงนะคะก็คือขออนะุญาตท่านเมื่อคราวที่แล้วแล้วท่านก็บอกว่าให้มาอยู่ได้แล้วท่านก็บอกว่าไหว้ทําอะไรคือไม่ต้องทําอะไรเลยทําแค่ตอนเช้าพอเสร็จกิจก็ตอนบ่ายก็กวาดกวาดใบไมแ้แล้วก็ปฏิบัติเองเลยอ่ะอาจารย์ที่อาจาร ย, รย์โนนะโถวิศจะเจอท่านเลยเปล่าเพราะว่าเพราะว่าไปไม่ได้บอกท่านคือคือคือท่านบอกว่าให้มาได้เลยค่ะดีเดี๋ยวไปแล้วค่ะก็ เดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวค่อยมารายงานพระอาจารย์ก็กะจะทาทั้งวันเลยค่ะพระอาจารย์ mm. เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ไปวัดมานานเหมือนกันแต่คราวนี้คุณพ่อไม่ได้ไปนะคะไปเองเพราะว่าเดี๋ยวคุณพ่อจะจะลืมลมน่นล้มอะไรก็ก็ให้น้องดูว่าเดี๋ยวไปตัวเองไปออกไปโ mm. okay. อเคงั้ก็ขึ้นไปขึ้นไปทีนะค่ ะ, <Okay. S 2> ะอาจารย์คุณรอรอคอยอยากไปมากๆเลยเพราะอาจารย์พ ร, าารีมันติดดูแลคุณพ่อด้วยนะคะแล้วก็ต้องสลับเวรกัน mm. ก็ขอสึกได้โอกาส้วรีบไปเลยพระตอนนี้มันแบบจิตใจอยากไปวัดพระอาจารย์ค่ะอันดับตอเนอะโอเคสวันทีคุณนิสา DLA เก่านมัสการสาวพรอาจารย์ตอนนี้ก็กราฟก็ยังดีค่ะคระอาจารย์ stable ค่ะไม่ ไม่ไม่กลับไปที่ไม่กลับไปแล้วค่ะพระอาจารย์ก็ก็ยังอย่างที่เรียนพระอาจารย์ค่ะก็ยังปฏิบัติอ่าสี่ชั่วโมงค่ะพระอาจารย์อาทิตย์ที่แล้วได้สองวันค่ะพระอาจารย์ดีค่ะพระได้ผลดีนะได้ผลดีมีสติมีกําลังมากขึ้นนะค่ะพระอาจารย์ก็ทําให้สมาธิดีขึ้นค่ะพระอาจารย์รู้สึกว่ามันมีความสงบแบบ เข้าได้ดีแล้วก็อยู่ได้ดนานนานมากขึ้นค่ะพระอาจารย์ก็ในช่วงซี่สี่ชั่วโมงก็พยายามแบบนั่งสมาธิไปเลยอะค่ะพระอาจารย์อืมก็ค่ะแล้วก็พอถ้าก็ออกจากสมาธิก็พยายามหลับตาไว้อ่ะค่ะพระอาจารย์เพราะกลัวเป็นมองนี่มองนั่นแล้วมันจะแบบเดี๋ยวมันฟุ้งอะค่ะพระอาจารย์มั น, จ ะ, มนจะอยากขึ้นมาค่ะมันอยากจะอยากขึ้นมาบางทีแบบมันสามารถที่จะแบบ บางทีลุกขึ้นมามันเมื่อยอะค่ะอาจารย์มองออกไปข้างนอกแบบมองดูต้นไม้อย่างนี้ก็ไม่ก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆควรจะแบบก็ไม่ควรกวนสํารสมตาหูจมกเล่นใจอ่านถ้าเราต้องการความเข้มข้นเราควรจะหลับตาใช่ไหมคะพ่อจันหลับตาได้ยิ่งยิ่งดีค่ะเพราะว่าเวลาลืมตามันก็จะไปเห็นตู่เย็นอะไรไปจะคิดนุ่นว่าจะทําอะไรทานดีอะไรอย่างนี้ค่ะพ่าจันก็เลยคิดว่า เราควรจะหลับตาดีกว่าเนาะอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ดีค่ะลูกพ่อลูกพุงเป็นคนพุ่งซ่านะคะพระอาจารย์เขาใช้วิธีนี้ก็เบรกตัวเองได้ดีค่ะพระอาจารย์แล้วมีความรู้สึกว่าปกติเสาร์อาทิตย์ลูกจะไปเดินพาร์คอะค่ะพระอาจารย์ก็คือเหมือนกับเดินจงกรมไปด้วยอะค่ะพระอาจารย์ก็คือเหมือนเดินแบบมีสติแต่ว่าตั้งแต่ทําแบบนี้มีความรู้สึกว่าเหมือนสติมันแน่มันดีกว่นจมอย่างนี้นงงลงไปนะ อ๋อแต่ว่าก็ก็คยถึงเวลาบางเวลาก็ไปเดินออกกําลังกายบ้างแต่ว่ามีความรู้สึกว่าตอนนี้แบบสติมันอยู่ที่เท้าแนบแน่นมากค่ะค่ะอาจารย์เหมือนกับไม่วอล์กแวกอะค่ะปกติก็คือจะใช้แบบมีพุทโทบ้างแล้วก็แบบนึกถึงแบบนึกถึงเท้าแบบซ้ายขวาซ้ายขวาแต่ว่าตอนนี้มันมีความรู้สึกว่ามันแนบแน่นอยู่ที่แบบจังหวะการเดินมากไม่วอกแวกค่ะะอาจารย์ดีค่ะ ก็จะปฏิบัติต่อไปค่ะพระอาจารย์ขอบคุณพระอาจารย์ที่สั่งสอนนะคะนะเจ้าค่ะปลาทูค่ะเข้าสมาธิได้ง่ายได้เลยวขึนได้นานขึ้นนะก็หวังว่าค่ะพระอาจารย์แต่ว่าก็พยายามไม่อยากอค่ะพระอาจารย์พอมันคิดถึงอยากแล้วมันรู้สึกว่ามันมันจะแบบไม่เป็นธรรมชาติค่ะก็ไม่อยากแต่ก็ขอให้มันได้ก็พยายามทําให้ดีที่สุดค่ะพระอาจารย์ ค่ะน้อมกราบค่ะพระอาจารย์ค่ขอพระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะคะเวลาที่คุณเอกต่อเชียงรายอายไปหลายวันแล้วกันนะคุณเอกสบายดีแล้วการน้มนมักการพระอาจารย์ครับอสบายดีครับอาจารย์ก็มผมเองไม่ได้เข้ามาก็ฟังอยู่ข้างนอกครับอาจารย์ครับอืมไม่ขาดนะติดตามตลอดนะติดตามตลอดครับเวลาทิตย์ก็ฟังที่<อ>ทางค<ม>ุณหมอวีนะครับก็ฟังอยู่ครับกลางวันก็ก็ฟังพระอาจารย์อยู่ครับ อืมก็ฟังพระอาจารย์บ้างฟังหลวงพ่ออินถวายบ้างนะครับในช่วงตอนกงวันนะครับก็ปฏิบัติทุกวันครับพระอาจารย์ครับท่งนี้ก็เวลาปฏิบัติไปก็ตอนนี้อยู่ในช่วงที่ไม่มีลมฮะอาจารย์ก็ก็รู้ว่าไม่มีลมก็อยู่อย่างนั้นนะครับอาจารย์ครับก็เข้าได้แต่ก็ยังไม่บุกครับพระอาจารย์ทําบก็บางทีดูไปเรื่อยๆดูจุดเดียวอย่าต่อย่าย้ายจุดแค่ละคนผมเอ่อ ดูที่จมูกตามที่ที่จมูกครับที่ปลายจมูกครับอาจารย์อยู่ที่จุดเดียวครับผมก็ลมก็หายไปก็ก็รู้ว่าลมมันหายไปครับลมมาก็ก็รู้ว่าลมมาอย่างนี้ครับอาจารย์ครับก็อยู่ในตรงนั้นนะครับตรงนี้ก็ก็มันก็สุขสุขอยู่ครับอาจารย์แต่เวลาช่วงที่แบบว่ามีมีสิ่งที่มากระทบกระทบเออผมก็ นึกเข้าไปถึงจุดที่ไม่มีลมหายใจเนี้ยมันมันก็หายใชหครับอาจารย์ถ้ามันก็มันก็สุขอยู่ก็อยากอยูอย่กับจิดตรงนั้นอย่างเงี้ยครับเวลาที่มีเอ่อมีอารมณ์อย่างอื่นเข้ามากระทบก็ครับอาจารย์ครับครับผมนี่ครั<ำ>ก็ปฏิบัติทุกวันครัคบอาจารย์ครับครับผมโอเคใชุ่ครับผมใกล้ถึงแล้ววายไปเรื่อยๆเนี่ยก็ถึงว่าเริ่มได้ขึ้นฟองแล้ว ก็เพียรพยายามที่ครับอาจารย์ครับบางทีก็บันทีก็นึกว่าเออก็คิดอยู่ครับว่าผลไม้มันยังไม่สุกก็ต้องบ่มอยู่ไปเพียงพยายามอยู่ครับอาจารย์ครับคําก็ช่วงช่วงเวลาเดินช่วงอะไรนี้ก็มีสติครับอาจารย์เจริญสติครับพูดโทพูดโทไปตลอดครับอย่าไปอย่าไปเชิงสุกก่อนห่างก็แล้วกันนะ ครับสมาธิยังไม่ได้ยจะไปทางปัญญาเนี่ยระวังต้องงงชิงสูงก่อนหามด้วยัอ๋อครับผมก็ก็คงไม่ครับเพราะว่าถ้าถ้าฐานไม่แน่นก็ควรจะไปไม่ไหวครับก็ปฏิบัติตามที่พระอาจารย์ในในทางสอนและเอาสมาธิก่อนนะครับเ่ีแล้วก็กิเลยจะหลับรู้แล้วหลุดแล้วหลุดด้วยความคิดนู่งด้วยความคิดอ๋อครับผมก็ ก็อยู่กับกายอยู่กับกายจตาร์ทปีกด้วยครับอาจารย์จริงครับผมครับผมวันนี้เข้ามารับฟังครับกับขอบ <Okay. S 1> คุณอาจารย์นะครับขอให้ทาขันอาจารย์ถองได้ครับผมสาธุวันนั้นุดรวันว่ายังไงน้องกาสมาสกาครับอาจารย์ไม่มีคําถามเจ้าค่ะอ่าเนี่ได้คุณปุ้ยจ้าปุ้ย ป่วยเ่อยๆ่วยนะอยานวัตกรรมกับพระอาจารย์อสบายดีค่ะพระอาจารย์สบายดีไหมคะก็เหมือนคุณปุวยแหละคุณป่วยสบายแล้วก็สบายอะอืยใจสบายแต่ร่างกายป่วยนิดๆพระอาจาอย์โยมก็ปฏิบัติตามพระอาจารย์ทํา พระอาจารย์แล้วก็ยมเข้าใจและสิ่งที่พระอาจารย์สอนว่าทําไมเอาเอาเอาเอาปกิตไปวางเอาจิตไปว า, า, างไว้ที่ตรงปลายจมูกยมเข้าใจแล้วค่ะให้มันนิ่งไงไม่ให้มันไปไหนมา ไ, ไหนจะให้มันนิ่งมันนีเป็นสมาธิได้ใช่เพราะว่าพอเวลาเรานิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งแบบมองมองมองไปแต่ยมไม่รู้จริงๆว่าไอ้กรรมนิ่งของโยมอะ่ะ มันคือการหลับหรือว่ามันอะไรแล้วมันอยู่มันก็หายไปคือมันไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวก็หมดก็หลับแลยสติไม่มีไม่ับแบบว่าจยมคือยมพยมคิดอยู่หลายหลายสัปดาห์นี่ยมหลับหรือเปล่าวะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้รู้สึกตัวปะรู้สึกค่ะพตอนนี้หลับปะไม่หลับอะงงงนงงงงงงงงงงงงงงงงนงงงงงงงงงง นั่งสมาธิยไงพระอาจารย์คือนั่งหลับไงเขาเลยนั่งหลับเพืนั่งสมาธิพระอาจารย์บอกว่าให้ให้รู้สึกแค่ตรง <laughs> ออกก็ออกเข้าก็ออกแล้วทีนี้โยมก็พยายามมองหาตรงว่าลมมันเข้าลมมันออกลมมันเข้าลมมันออกแล้วรู้ ร, รู้รู้สึกว่าเราตามหาตรงจุดนั้นแต่ทีนี้แบบแบบเรารู้สึกว่าอยู่ๆมันก็หายไปเฉยๆแล้วพอมาโผล่อีกทีแล้วได้ยินเสียงพระอาจารย์ตอนอสุดท้าย ถ้ารางวันดับแล้วตอนนั้ น, oh. นอ๋ออืึเข้าใจแล้ไเป็นไรเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เมตะขึ้นมาแล้วก็ทําต่อได้แต่ว่าโยมอยากจะฝันเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนโยมนอนแล้วโยมฝันแต่เดี๋ยวนี้โยมไม่เคยไม่เคยได้ฝันอะไรเลยอ่ะอย่าไปอยากอย่าไปอยาก mm hmm. ยินดีตามมีตามเกิด <c oughs> อยากว่า mm hmm. ทุข่อยไม่อย่าไปอยากโอ้ก็ค่ะ โยมก็ไม่มีอะไรแล้วละพระอาจารย์โยมปฏิบัติเข็นตัวเองขึ้นมาแต่โยมเข็นจะวันนึงคือโยมเป็นอะไรไม่รู้วันหนึ่งมันก็จะขยันอีกวันหนึ่งมันก็ร่างกายมันก็รู้สึกขี้เกียจน่ะพระอาจารย์พอเขามาค่ะที่ต้องพูดว่าขี้เกียจก็อย่าตาม mm hmm. มันเถอะมันขี้เกียจเราก็อย่าตามมันถึงเวลาทำลํำเราก็ต้องทํำของเราไปเรื่อย ใช่อย่างเมื่อวานเ น, นี้ยตอนในเมื่อเช้าเมือ่อแตจยมก็พยายามเดเอ า, านาฬิกาเลยมาตั้งอ่ะตั้งบนหัวเลยตั้งขอขอขอพระผู้ดีเจ้าเลยว่าขออย่าให้ยมขี้เกียจนะแต่ยมขยันขึ้นมายมตื่นขึ้นมามานั่งสมาธิและทีนี้นนนนเหมือนมันพระอาจารย์เหมือนไอ้กิเลสสมานหรือว่าไอ้ตัวตัวขี้เกียจมันมีอยู่เยอะก็ไม่รู้นะพอหลังจากหนึ่งชั่วโมงยมนั่งสมาธิอยู่ๆมันก็หลับไปเจยๆอ่ะพระอาจารย์มันแก้ไม่หายนักที ต่อไปต้องอท้อต้องแก้ด้วยการทรมานมันถ้ามึงขี้เกียจกูจะไม่ให้มึงกินข้าวมกูให้มึงกินข้าวเพื่อมึงขยันเนี่นยเ่อไม่ใช่คนแล้วแบบจักจักกินสามมื้อยมเดลืออยู่มื้อเดียวมาปีกว่ากว่ายามยอมก็ลองลองเหลือศูนมื้อดูสักวันนี่ดูที่มันจะตายไหมดูที่ว่าใครจะตายร่างกายตายหรือกิเลสตายความขี้เกียจตายหรือเปล่าใช่ยอมยอม ยังไงดีว่าจะแก้มันมันยาไม่ได้เอาตัวขี้เกียจออกยาไม่กินถ้ามันขี้เกียจก็อย่าให้มันกินกิงเพื่อมันกขยันถ้ามันขี้เกียจก็อย่าให้มันกินต้องทรมาร์เหมืนม้าเอาฝึกม้าเนี่ยเวลาม้ามันดื้อเขาไม่ให้มันกินอาหารจังกว่ามันจะหายดื้อเขาถึงให้มันกินอาหารใช่เพราะโยมโยมจับได้คํานึงที่พระอาจารย์สอนโยมก็เลยว่า เ อ, อเราต้องไม่ตามใจตัวเองเราต้องหดตัวเองลุกขึ้นมาหดตัวเองโยมถึงได้แบบดีกว่าเมื่อก่อนเยอะแยะเลยปีกว่าๆแล้วเพราะว่าเบบพระโยมตามแต่ใจตัวเองโยมทํำอะไรตามแต่ใจตัวเองโยมคงไม่ถือติมาได้ถึงทุกวันนี้หรอกเพราะว่าโยมลุกขึ้นมาหวดตัวเองไงแบบไม่ตามมากเราต้องเดินตามพระอาจารย์โยมก็กราบขอบพระคุณไหม เ, เพราะว่าระอาจารย์ ืใช่พะโยมก็ไม่ไปทางไหนแล้วละโยมอยู่ทางนี้แหละพระอาจารย์แต่โยมอาจจะได้วิ่งไม่ได้เร็วนะพระอาจารย์ต้องขอเข้ามาด้วยโยมขอให้เป็นเต่าก็แล้วกันอย่าหยุดทานก็แล้วกันอ่ยดีกว่าก็ตายที่วิ่งแล้วหยุดโยมพยายามทําทุกวันสวดมนต์เช้าเย็นโยมมีบันทึกของโยมบันทึกบุญของโยมทุกอย่างเลยบันทึกไว้แล้วโยมก็จะอ่านก่อนนอนโยมจะอ่านบุญของโยมก่อนนอน คดีจะบำะเมินประเมินผลตัวเองทุกทุกวันว่าอืมเราปฏิบัติดีไหมวันนี้เราปฏิบัติได้กี่เปอร์เซนต์วันหย่อนหรือเปล่าอืมอืมอันนี้โยมก็ไม่ได้หย่อนหรอกนะพระอาจารย์โอเคดีท่านนี้นะ่ะค่ะจาบขอบพระคุณนะค่ะท่านทัดขันแข็งทางพระอาจารย์ให้เสียวการเจริญให้นำไปรวยนะ นนค่ะสะอาดทุกครัน้อมรับพรค่ะอคุณยินดีแคนซสตอนนี้ได้ข่าวว่าร้อนมากไหมใช่ไหมค่ะท่านอาจารย์ใช่ค่ะก็มีวันเมื่อด้วยความที่ร้อนมากบองคเอ่อมเมื่อวานอทันเดอร์แรงค่ะฟ้ า, าแรงฝนมาก็ช่วยหน่อยก็ค่ะอาจารย์เขาก็ขึ้นขึ้นลงลงอย่างเนี้ยค่ะอาจารย์ อ, อากาศแหวงไปแหวนมาเหมืนที่ก็หนาว ดีกรอนค่ะที่นี่ค่ะเป็นเพราะว่าต้นไม้มันมีน้อยมันไม่เหมือนตอนอยู่เซาคารไลนาหรือเปล่ลาไม่ทราบค่ะท่านอาจารย์ที่นี่แขวงเยอะมากเลยค่ะอืก็ตามุธรรมาชาติค่ะลูกไม่นนมีอะไวันนี้น้องชายมาใสยบานเนะี่ยก็สาธุกับเขาด้วยค่ะท่านอาจารย์ก็<ม>ก็ ก, ก็ก็ตามใจเขาค่ะท่านอาจารย์อืม ก็พูดให้ดีใจนะอยวาก็ยังสนใจอยู่ค่ะเพราะว่าลูกก็คอยดูเขาค่ะท่านอาจารย์คือดูห่างๆค่ะท่านอาจารย์เราก็ดีใจด้วยที่ก็คอยคอยก็ดูเขาตลอดค่ะว่าท่านอาจารย์เขาห่างไหมแต่เขาก็ไม่เคยห่างก็ก็ดี<ๆ>เพราะลูกก็จะบอกเขาว่าท่านอาจารย์ห้ามห้ามห้ามห่างท่านอาจารย์นะก็ได้แต่พูดแค่นี้แล้วก็จบค่ะอาจารย์โอเค มีเฟเจอส่งความคิดถึงมาให้นะใช่ค่ะท่านอาจารย์เช้านี้ก่อนไปเขาก็บอกว่าอย่าลืมบอกท่านอาจารย์อย่าลืมกราบท่านอาจารย์ด้วยนะคะแล้วแล้วก็บอลซองเต้เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์อแอ้วก็คุณอยากเป็อย่าสูงค่ะท่านอาจารย์ที่ได้ฝั่งสอนนัน้นทุกอย่างคุณโอพีเคในวันก่อนใครน้ญาติหรือใครน้มาน้องสาวเลยใช่ไหม อยากให้น้องสาวนักวิาจารย์านพระอาจารย์พี่สาวพี่สาวนะพี่สาวจะมาแล้วนะมาแล้วนะี<ะ>มน่มาเพราะโอ้โหแ <k is the teacher> ทออ้เนี่ยโอ้จะด้ีใจเจค่ะพระอาจารย์ว่าช่วงก่อนพี่เขาก็ฝากใส่บาตรท่านพอาจารย์อยู่เจ้าค่ะแล้วก็ <k is the teacher> มีฟังธรรมจากท่านพอาจารย์เหมือนกันเจ้าค่ะลูกส่งลิงก์ธามาไปให้อย่างนี้เจ้าค่ะอืมพอดีเขาไปเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกให้น้องนิวเจ้าค่ะที่ที่เคยไปกราบท่านพระอาจารย์นะเจ้าค่ะก็เลย มีโอกาสได้ไปก็ <c oughs> ดีเจ้าค่ะอาจารย์ว่าพี่เขาก็มีเปิดฟังธรรมท่านอาจารย์อยู่เหมือนกันจ้าค่ะถ้าถ่ายรูปส่งไปให้ดู้เหรอส่งแหวนจ้าค่ะอาจารย์เกรงใจท่านอาจารย์มากเลยเจ้าค่ะข <c oughs> อบคุณว่าคุณเปยังสูงจเจ้าค่ะ <c oughs> ไ, ไม่ได้บังคับนะจ้าค่ะอาจารย์พ อ, อ <c oughs> <c oughs> ดีว่าหลานเขาชวนไปพอดีเลยอย่างนี้เจ้าค่ะก็เลยบอกพี่ว่าก็อยากให้แกไปอยู่ยังไม่ได้บังคับอะไรนี้เจ้าค่ะแต่ความสมัครใจของเขาอานี้จ้าค่ะ แต่เขาเคยฟังธรรมล้วฟังท้าบก็ไม่ได้หรอค่ะก็ไม่กล้ า, าสอนอะไรเขาว่าเจ้คาค่ะอาจารย์ก็บอกว่าพี่พยายาว่าฟังธรรมแล้วก็นํามาปฏิบัติรักษาอย่างนี้จ้าค่ะอืของลูกก็ช่วงนี้ก็บ่นเหมือนกําลังซ่องใจไว้เจ้าค่ะอาจารย์เป็นรถที่แบบว่าเพิ่งซ่อมซ่อมอวไหลอู่ว่ะเจ้าค่ะนะจ๊ะเกื<笑><笑>อบตกเหวเจ้าค่ะอาจารย์ก็กู้กลับมาได้แล้วก็มีอาทิตย์ที่แล้วจ้าค่ะลูกกลับไปฝึกนั่ง ก็คือฝึกนั่งนิ่งๆเจ้าค่ะพายจันคืออาจจะเป็นเพราะว่าใจมันมันมันถูกซ่อมมาเจ้าค่ะพอไปนั่งก็คือเปลี่ยนจากนั่งกับพื้นมาเป็นนั่งเก้าอี้เจ้าค่ะติดต่อการได้หกชั่วโมงไม่ได้ลุกเจ้าค่ะพายจังแล้วก็รู้สึกว่าความอยากที่จะลุกเนี่ยมันหายไปเจ้าค่ะพอหายไปปุ๊บเนี่ยแต่ลูกก็มามาดูเหตุผลที่หายไปอาจจะเป็นเพราะว่าข้างบ้านหรือว่าเสียงที่อยู่ในบ้านเจ้าค่ะ เ อ, yeah. เอาดึงเอาจุดที่รูกอยากจะใช้ร่างกายไปมากกว่าอะไรอย่างนี้จ้ะค่ะว่าเขามีมีเสียงเสียงจากในบ้านเนี้ยจ้ะค่ะเสียงแล้วก็เสียงข้างบ้านลูกก็เลยพิจารณาว่าเสียงเหล่าเนี้ยมันก็ไม่มีที่เมืองพระนิพานอะไรอย่างนี้จ้ะค่ะอาจารยา์พอจะไปไปเพ่งโทษเขาก็บอกว่าการเพ่งโทษก็ไม่มีที่เมืองพระนิพานก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยเวลามีมีเสียงจากข้างนอกมากระทบอย่างนี้จ้ะค่ะเข <_ im> าพยายามว่าไม่มีอะไรอย่างนี้จ้ะค่ะไม่มีอยู่ที่เมืองพระนิพานว่า ว่าจะอยู่กับคําบริกรรมพู้โธยังไม่ค่อยได้เจ้าค่ะแต่ก็คือได้อยู่ประมาณหกชั่วโมงโดยที่บอกว่าไม่ไม่ได้อยากลุกแต่มีข้อเสียตรงที่ว่าแลไปดูนาฬิกาเจ้าค่ะว่าผ่านไปกี่ชั่วโมงอะไเงี้แต่แต่ที่พอพอครบหกชั่วโมงเนี่ยก็ยังนั่งอยู่ที่เก้าอี้นะเจ้าค่ะก็คือไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากจะลุกไป ม, มันเห็นว่าการนั่งนิงน่งๆอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเค่ะก็ แล้วทีนี้ก็เลยพอก็มาคิดดูว่าเอ๊ะเราเรายัางไงแล้วก็พักแล้ววันนี้เราลองนั่งก็คือเหมือนกับว่าหกชั่วโมงแรกเนี่ยเน้นการไม่อยากใช้ร่างกายใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็เลยต่อต่อไปอีกสี่ชั่วโมงว่าจะเน้นการเจริญสติแต่มันกลับมาฟุ้งซ่านเจ้าค่ะแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนท่านั่งบ่อยอยู่จ้าค่ะก็เลยพอครบสิบชั่วโมงก็เลยอ่าหยุดปฏิบัติไปจ้าค่ะก็มีวันนี้วันนี้กลับมาปฏิบัติเจ้คาคะอาจารย์เรากลับมานัง่งนิ่ง แต่ปรากฏว่าวันนี้คือเปลี่ยนท่านั่งบ่อยแล้วก็ยังฟุ้งซ่าง น, นี้จ้ะค่ะวันนี้ก็ยังเปลี่ยนท่านั่งบ่อยอยู่กับคําบริกรรมก็ไม่ได้เลยจ้ะค่ะอาจารย์ก็ทําได้แค่ให้ครบหกชั่วโมงตามที่ตั้งใจไว้อย่างนี้จ้ะค่ะแล้วก็หยุดไว้จ้ะค่ะอาจารย์<ต>ไม่ใช่ไม่ใช่เด็จ<อ> ม, มันก็เลยมันก็เลยฟุงย้งนะคะย้ำรับว่ากําลังของสติวันนี้ต่างจากวันวันปริวัติที่ผ่านมามากจ้ะค่ะอาจารย์ที่ อดพักที่ลูกนั่งได้6ชั่วโมงด้วยเดียวโดยไม่ลุกเข้าห้องน้าด้วยอะไรยเจ้าค่ะแต่วันนั้นอาจจะเป็นคงเป็นเพราะว่าเรื่องจิตใจด้วยเจ้าค่ะแล้วก็เรื่องอ่าสภาวะแวดล้อมข้างนอกที่มันมาดึงจุดสนใจอยากจะใช้ร่างกายไปอย่างนี้เจ้าค่ะก็เลยนั่งได้จ้าค่ะแล้วก็อ่าพรอาจารย์จ้าค่ ะ, ะ, คะถ้าอย่างลูกอยากจ ะ, จะเจริญสติให้ต่อเนื่องก็คือต้องต้องก็ต้อ ง, อ ง, องไม่คุกเใช่มคะไม่เกิมีกิดปัญหา มีพุดโธแล้งดูร่างกายตลอดเวลาอย่าให้ใจไปคิดเรื่องอื่นนะคะอ๋ออยากจะกขอขอบเรียนท่านอาจารย์ตรงนี้นิดเดียค่ะลูกลูกจะติดตรงนี้ตลอดเลยว่าของลูกอะยอมรับสารภาพไปเจ้าค่ะอาจ า, ารย์ว่าจะเป็นเหมือนประมาณว่าน้อมแนวอมพระธรรมคําสอนที่เคยได้ยินได้ฟังเนี่ยมาพิจารณาก่อนและพอพิจารณาเวลาเดินชมคมก็ดีหรอว่าเวลานั่งก็ดี่ต้องพิจารณาก่อนอย่างนี้เจ้าค่ะพะอาจารย์แล้วถึงจะ นั่งนิ่งๆให้ดูลมหรือว่าให้พออยู่ทำกรรมได้อะไรเงี้เจ้าค่ะแบบนี้จะปฏิบัติผิดไหมเจ้าค่ะอาจารย์คือเหมือนกับว่าให้พอจะไปนั่งเลยเนี่ยมันจะฟุ้งซ่านก็เลยต้องบอกว่าเหมือนพิจารณาว่าร่างกายนี้มาจะคาดสีดินน้ําลมไฟพอพิจารณาไปได้สักระยะหนึงเนี่ยลูกก็จะมาเหมือนมันมีความรู้สึกว่าเราอยากอยากหยุดทิศละอะไรเงี้เจ้าค่ะแล้วก็เลยมานั่งดูลมนะคะเพราะอย่างวันก่อนก็คือพอพิจารณาไปแล้วเรารู้สึกว่าอยากกลับมานั่งพอนั่งดูลมแล้วก็ก็ เริ่มกลับมานั่งดูดมได้เจ้าค่ะอ่าเวลาเริ่มต้นได้มันยังไม่ยอมอยู่กับทีก็สวดมนต์ไปพิจารณาทำไปก็ได้เจ้าค่ะน่าจะเป็นส่วนหนึ่งก็คืออย่าเมื่อก่อนลูกจะสวดมนต์ใช่ไหมสักคาภาจาร อ, อยูนี้อาจจะสวดมนต์น้อยลงด้วยเจ้าค่ะสั้นลงด้วยอะไรอย่งเจ้าค่ะก็เลยกําลังสติอาจจะจะหายไปส่วนหนึ่งเจ้าค่ะอแี่ก็ยังคนจะฝึกสติมากก่อนนะก่อนก่อนที่จะมานั่งนะคะ พยายามเจ้าค่ะอาจารย์แต่เหมือที่อาจารย์ที่ เ, เจ้าค่ะคืออยู่เด็กกับผู้โทรก็ได้สักสองสามคำแล้วก็แปบไปแล้วเลไอย่างเงี้เจ้าค่ะไม่ไปอดีตก็ไปอนาคตอย่างเงจ้าค่ะต้องพยายามทำไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะดีขึ้นถ้าไม่พยายามมันก็จะเหมือนเดิมเลยก็เลยตั้งใจว่าขอกลับไปเป็นเด็กใช้ห้องกันเจ้าค่ะแล้วก็ปฏิบัติอย่างเต่าต่อแ บ, บว่าเริ่มต้น ว, ว่าปฏิบัติแบบค่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้ทิ้งเลยเจ้าค่ะอาจารย์ก็ยังก็คือปฏิบัติเดิมเจ้ค่ะ จะพยายามตอนนี้เราก็ยังควบคู่ปฏิบัติควบคู่ไปกับการฝึกนั่งนิ่งๆไม่ให้ใช้ร่างกายได้ใช่ไมั้ยได้ได้ไาต่นะคะก็ทำต่อไปอาจารย์แล้วอ่าขึ้นทาง่วนได้ไหมเจ้าคะถ้าต้องการความต่อเนื่องของการฝึกการเจริญสติเจ้าคะก็แล้วแต่เราถ้าเกิดเราอยากขึ้นก็ขึ้นไหน แน่เลยท่มาห้ามแบบนี้ก็คืออย่างของลูกอ่ะยอมแล้วว่ายังยังไม่ได้สมาธิความสงบใช่ไหมเจ้าค่ะแต่คือเขาเขาที่แล้วมันก็เห็นความแตกต่างอยเจ้าค่ะว่าพอไปแล้วเราไม่มีอะไรที่ต้องห่วงมากเนี่ยมันก็ดีเจ้าค่ะอาจารย์มันอยู่บ้านมันก็ต้องมีงานมีภาระหน้าที่เหมือนกับบางทีเราอยากปฏิบัติให้ต่อเนื่องแต่เราก็ต้องลุกไปแล้วอะไรเงี้เจ้าค่ะอก็ะไรที่ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะขอขึ้นไปบนเขา ต่อไปงี้ใช่ะได้ได้ติดต่อกับผู้จัดการที่เขจัดการเรื่องการที่พักมาเจ๊ค่ะเดี๋ยวจะลองรอบนี้จะลองดูอีกทีเจ๊คะเพราะว่ามันก็แล้วก็เก็บสะสมรวบรวมว่าเราจะปรับปฏรียติวยังไงถ้าเกิดว่าขึ้นไปอะไรเงี้ยเป้าหมายจริงๆเพราะว่าเหมือนรอบแรกที่ไปคือยังไม่มีประสบการณ์ด้วยเจะค่ะอาจารย์อรอบแรกนี้ไปต่อสู้กับความกลัวจช่ไหคะรอบนี้คืออยากได้ การที่ไม่คุกครีแล้วก็อยากให้การเจริญสติเนี่ยเป็นไปเพรว่าต่อเนื่องอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะโดยไม่ต้องมากังวลว่าเราจะต้องทํานู่นทํานี่เวลาที่เราอยากจะปฏิบัติต่ออะไรอย่างนี้เจ้าค่ะดีนึกจากเป้าหมายของการปฏิบัติแล้วเราต้องการจะทําอะไรเจ้าค่ะดีก็อนที่นี้มีเท่านี้เจ้าค่ะโอเคกขอบคุณพระองค์เจ้าค่ะคุณสุภาพนะจญบวมินชนบุรี ก, ก, การนมัสการพระอาจารย์นค่ะเข้ามาร่วมฟังธรรมนะคะพระอาจารย์วันนี้มันก็ได้เข้าซูมนะมาที่กุฏิเป็นประจำเลยพอดีว่าช่วงที่ผ่านมามันเข้าเลทนะคะพระอาจารย์ก็เลยไม่ได้เลยคะ่ะ อ, อาจจะยาวก็วไม่เป็นไร<พ>คนเก่าใครเข้ามาอยู่ตลาดเวลาอยู่แลเจ้าคะ่ะไปฟังที่หน้ากุฏิเออจะได้ผลด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์อืม นั่งสมาธิไปด้วยนะนัง่งได้เต็มที่เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ <Okay. S 2> วันนี้ไม่มีคำถามเจ้าค่ะเอาไว้ถามครับโอเคสอาธด้นี้คุณมารีตุ่ณมารีวัฏถากาศยังไม่ได้เปิดเ่ยหาพูดได้เลยพู ด, ดานานๆไหนูก็ยังปฏิวัติอยู่ค่ะหลวงพ่ อ, อ ไปทิ้งแล้วล่ะปานนี้มาถึงขนาดนี้เราไปทิ้งได้ไงทิ้งไม่ได้เลยค่ะหลวงพ่อนำมาทิ้งไม่มีคําว่าถอยไม่มีไม่มีค่ะมีแต่เดินเดินหน้ายอย่างเดียวเดินหน้าเดียวมีแต่เร่งความเพลินขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเร่งอยากอยากเร่งอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะฝังไปอีกเพราะอยากมากไปอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแต่หลวงพ่อคะหนูหนูไปดูภาพ เกี่ยวกับร่างกายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปดูเขาเรียกอะไรนะคะอนาโตมี่เหรอคะของโรงพยาบาตลตํารวจนะคะหนูไม่ไม่เคยเห็นเลยค่ะเขาเขาเปิดดูเอาเอาศพคนที่ตายแล้วอะคะ่ะมาแล้วก็หนูก็พิจารณาตั้งแต่หน้าถึงถึงที่เขาเปิดให้ดูะคะ่ะหลวก็ดูดูเสร็จแล้วก็ดูเขาเปิดกะโหลกเปิดกะโหลกลอกหนังแล้วก็ ควักเอาสมองข้างในออกมาวางแล้วก็ผ่าตั้งแต่คอแล้วก็ควักข้างในพวกเครื่องในอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็หนูไม่เคยไม่เคยดูเลยแต่ช่วงที่หนูดูอะจิตมันสงบมันนิ่งมันไม่มีความกลัวไม่มีความวิตกกังวลอะไรแล้วเสร็จแล้วหนูก็มาพิจารณากายของหนูว่าอีกหน่อยเราก็ต้องตายเพราะกายเนี้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ของเรา แล้วสภาพที่เราตายเนี่ยสภาพสภาพมันจะเป็นแบบเดี๋ยวเราต้องขึ้นอืดขึ้นพองแล้วก็ตัวผิวเขาเรียกอะไรหนังจะเริ่มเขียวคําดำเน่าเหม็นแล้วก็เป็นอาหารเป็นอาหารพวกสักเป็นพวกหนอนอะไรอย่างเงี้ยข่ะหงพ่อแล้วก็จะมีอาการปิแตกแยกชิ้นส่วนจนกระทั่งเหมือน เหลือแต่โครงกระดูกสุดท้ายโครงกระดูกก็ยังยังตั้งไม่ได้แล้วมันก็จะร่วงจะหลน่นคือพอหนูพิจารณาแบบนี้จิตมันสงบมันนิ่งจิตมันแข็งจิตมันระ ง, งับมันมันดีมากๆเลยค่ะหลวงพ่อมันไม่มีอาการที่แบบว่าหวาดกลัวทั้งงั้นหนูไม่เคยดูไม่เคยเห็นเลยค่ะหลวงพ่อแล้วพอพอหนูพิจารณามาตรงเนี้ยรู้สึกมันมีความสุขแล้วก็ พอเข้าสมาธิหลวงพ่อครับมันสมาธิมันแรงมันมันแข็งมันดีมันดีจนแบบเหมือนเข้าง่ายๆหนูชอบหนูเหมือนเหมือนเห็นอะไรที่แบบโอ้ไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนคือคือมันเพิ่มเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วพอออกมาพิจารณาอะไรเสร็จเนี่ยมันเหมือนมันทาให้เรามองเห็นว่ามันไม่มีอะไรเลยมันเห็นความไม่สวยไม่งามของ สภาพร่างกายของเราเครื่องในอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อพอพิจารณาเนี้ยแล้วแบบมันเหมือนใจมันสงบแล้วเวลาเวลาเข้าสมาธิเนี่ยมันจะตัดจิตมันจะไม่ออกไปข้างนอกเลยค่ะหลวงพ่มันจะตัดเหมือ น, นตัดชั่วแล้วเราจิตก็จะอยู่นิ่งอยู่กับสิ่งที่เราเรานั่งปฏิบัติอยู่อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่ อ, ห, อหนูหนูเห็นความแบบมันเปลี่ยนแปลงนะค่ะหลวงพ่ อ, อชอบชอบตรงเนี้ยค่ะแล้วมันก็มีใจ ที่อยากจะค้นเข้าไปลึกๆอยากจะนั่งเข้าไปอีกอยากปฏิบัติเข้าไปอีกอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อก็ดีค่ะนี่แ ะ, ะนะก็คือปัญญาปัญญามันจะทําให้จิตสงบได้มั่นคงกว่าสมาธิกว่าสติเนี่ยมันเป็นปัญญาที่ทําให้ให้ให้จิตเราสงบนิ่งได้ดีกว่าใช่ไหมคะเพราะมันจะมันถอดถอนกิเลสไปในตัวด้วย โมหะอวิชาความหนมค่มมันจะทําให้มันจิตมันสงบนิ่งมันคงกว่าตอนที่ใช้สติสติเพียงแต่กดว่ากิเลส ย, ยังไม่หมดยังไม่หายค่ะใช้ปัญญานี่กิเลสมันจะหายไปกามาราคะ่ามันจะหายไปค่ ะ, คะแล้วแล้วตอนช่วงแรกๆค่ะตอนที่ดูใหม่ๆอ่ะ ม, มัน มันเหมือนมันยังมีความรู้สึกว่าเรายังต่อต้านมันอยู่เหมือนอย่างเราอยากจะอ้วกอยากจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วพอเราดูดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆจิตมันแบบเหมือนมันมันนิ่งมันสงบมันพ้วะเลยอะค่ะหลวงพ่อมันตัดตัดไปเลยมันมันไม่มีความที่ตกกังวลในจิตไม่เหมือนไม่ไม่ีอะไรมากวนจิตเลยอะค่ะหลวงพ่อมันมันดีมันดีมันสงบแล้วก็เข้าสมาธิเหมือนแบบ ได้ง่ายง่ายมากๆเลยค่ะอืมอก็กดีเนี่ยนะเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องอยู่แล้วค่ะห่อพ่อวันนี้หนูก็มารายงานเต้อ ง, องดูร่างกายของทุกคนนะไม่ใช่แต่เฉพาะของเราของาของคนอื่นก็เหมือนกันค่ะแล้วเวลาเรามองมองไปอย่างคนรอบตัวอย่างคนที่ออฟฟิศหรืออะไรเนี้ย มันคือมองปุ๊บจิตมันจะคิดไปว่าก็มันก็ไม่มีอะไรมันก็มีโครงมันก็มีอะไรเหมือนๆกันไม่มีไม่มีอะไรเลยอย่างเนี้ยค่ะหลวงพ่อก็มีสร้างสมเด็จได้ไงใช่ใช่สราก็เป็นเหมือนกันแล้วข้างในข้างในมันก็ไม่ได้สวยมันก็ไม่ได้น่ารักมันก็ไม่ได้สะอาดไม่ได้มีอะไรเลยหนูหนูไม่เคยไม่เคยพิจารณาได้แบบขนาดนี้พื่อ ตอนแรกๆคือใจมันไม่กล้าค่ะหลวงพ่ อ, อ ม, มันมันกลัวกลัวสิ่งที่แบบแบบพวกเลือดพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่ อ, อแต่พอพอนั่งสมาธิแล้วฝึกดูฝึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันจิตมันนิ่งมันไม่มีความกลัวอะไรตรงนั้นเลยอ่ะค่ะ ม, มันมีความแปลกใจการยาพิจารณาของเรานี้ได้ต้องมีมีสมาธิ ท, ที่ที่แข็งแรงที่มัน่นคงเพอพิจารณาได้ ค่ะหลวงพอดีทำตามไปให้มันจานานนะให้มันจำนานค่ะหลวงพ่อวันนี้หนู ก, ก็รายงานประมาณนี้ค่ะหลวงพ่อถ้าดูอ่าคุณนาวิกาลาลา่ิวากับนรัตการเจ้ากับพเจริญวันนี้มนร่วมพังธรรมแล้วก็มากราบพระอาจารย์ไม่มีคาถามเท่ากันโอเคไปดีคุณสายปัตยา ยังไม่ได้เปิดใหม่นะคะน้องกาบนรัสการคระพระอาจารย์ อ, รอันนี้อันนี้ไม่มีคําถามค่ะมาร่วมรับฟังธรรมค่ะพระอาจารย์วันนี้ปฏิบัติข้อไหนบ้างก็สิบห้าก็ได้อยู่ค่ะพระอาจารย์สิบห้าแล้วก็ไม่ทานมื้อเย็นแต่ก็ยังมีใส่ครีมอยู่ก็น่าจะอยู่สักหกเจ็ดนี่นะคะพระอาจารย์โอเคทำไ ม, ม, มต้องใส่ครีมด้วยล่ะ ก็กันแดดนะคะพอาจารย์กันแดดค่ะกันแดดแล้วก็รักษานะค่ะถ้ามันรักษาก็ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ได้เสริมความงามเสริมความงามหรือเปล่ารักษาเพื่อให้มันงามก็ก็กันแดดคือมันหน้ามันเป็นจุดๆด้วยค่ะพระอาจารย์ก็เลยว่ารักษาหน่อยก็ดีนะคะพระอาจารย์ถ้ามันรักษาพยาบาลก็ไม่เป็นกิเลสแต่ถ้ามันรักษาเพื่อให้มันสวยมันงามมันก็ยังเป็นกิเลส ค่ก็มันก็ยังมีในนั้นนิดนึงนน่ะอาจารย์แต่<ำ>ยังรัาสวยน่างามอยู่ง่ายง่ายค่ะพระอาจารย์แต่ก็ยังละไปได้เยอะแล้วค่ะต้องฟังคุณมารีดูวมันพิจารณาดูดนอนใช่ว่างดูอะไรบ้างแต่ว่าหนูไปเดินตลาดหนูก็พิจารณาเหมือนกันนะถ้าเห็นคนแก่เงรพระอาจารย์ก็จะบอกตัวเองเลยว่าหน่อยเราก็แก่ใช่ค่ะ ก็ก็เห็นก็จะได้แค่นี้เองพระอาจารย์อย่างอืน่นไม่ยังได้ไม่เยอะค่ะก็พิจารณาบ่อยๆเห็นคนแก่เห้คนเจ็บเห็นคนตายก็พิจารณากลับมาที่ตัวเราเรื่อยๆค่ะอันนี้อันนี้พิจารณาจริงพระอาจารย์ไม่ได้โมไม่ได้เราไปเยอะเลยหมือนเจ้าชายสิทธัตถะเดี๋ยก็ออบวชได้แต่ก็พยายามอยู่ครับอาจารย์ก็พยายามก็พยายามหา อ่าความมยียามิีไหนการทำแบบนี้ไม่ไม่ไม่ได้ละแต่ก็ว่ามันมันเข้าเข้าออกๆเข้าๆออกนี่หมายถึงว่าบางทีมันก็ไม่อยากทําตรงนี้แต่ก็ฝืนมันอย่างเงี้ยพระอาจารย์อืก็ต้องฝ<า><ท>ืนไปเรื่อยๆต้องฝืนไปเรื่อยๆอย่าตาอย่าตามใจกิเลสตามใจกิเลสนั้นก็ทําก็แหลค่ะอันนี้ออย่างอย่างโยมเนี่ย ยังอยู่ในขั้นทานอยู่เลยพระอาจารย์การจะก้าวข้ามไปอีกอีกขั้นหนึ่งเนี่ยมันมันอยู่ที่เวลาของของของที่เราเราปฏิบัติเรือดข่าประอาจารย์ยังคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเรายังไม่ถึงเวลาปฏิบัติเรือเปล่าแล้วก็นนแล้วก็ทำหลา ย, นนยแล้วก็ทําหลายขั้นนี่ยศีลเราก็รักษาภาวนาเราก็พยายามอปัญญาเราก็เจริญอยู่อย่างนี้แสดงว่ามันยังไม่เป็นกําลังที่เป็นกอบเป็นกำนั่นเอง มันจะเป็นกล่มมันที่มันง่ายที่มัเราชํานาญก็คือทานแต่เรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญานี้เรากําลังฝึกขัดอยู่เนี่ยเข้ามาฟังที่ฟังๆนี่ก็กําลังฝึกปัญญาอยู่เนี่ยมาฟังก็ไดเรื่องเรื่องราวของปัญญาเยอะๆเลยใช่ไหมแล้วค่ะก็นั่งฟังกนั่งตามเพื่อนๆอยู่แล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ยังเป็นนักเรียนยังเป็นนักเรียนอยู่ยังเรียนไม่จบชั้น เรียนไปเรื่อยๆต่อไปก็จะจบชั้นแต่ทางนี้จบแล้วทางนี้ทำง่ายใช่ไหมทำสะดวกทําสบายทําได้ง่ายไม่ตันหนีไม่ขี้เหนียวไม่หวงใช่ค่ะละไปได้เยอะแล้วล่ะค่ะรอาจารย์ง่านี่ก็มาพยายามมาฝึกศีลฝึกสมาธิฝึกปัญญาต่อไปค่ะขอบคุณพระคุณพรนอาจารย์มากเลยครับะค่ะยินดีต้อนรโยมเจนจากพิสเบิร์ก เป็นไงพีสเปล้กหนาวร้อนตอนนี้เป็นมาตรกรับพระอาจารย์ตอนนี้ร้อนค่ะพระอาจารย์เพิ่งหนาวไปไม่กี่วันไม่ใช่หรือไม่ได้ฝนตกค่ะพระอาจารย์ฝนตกแล้วก็อากาศเย็นค่ะพระอาจารย์แล้วก็กลับมาร้อนอีกแล้วค่ะพระอาจารย์ยังไม่มีไม่มีคาถามค่ะยงมาร่วมฟังธรรมค่ะกอัคไปที่เซเลนทาลแมรีนแลนด์ ยังไงสมัยตอนกับกรพระสการ์ค่ะอาจารย์โยมสารภาพอาจารย์โยมไม่ค่อยมีสมาธิกับอาจารย์ไม่มีสติสมาธิมันไม่มีแน่นอนแลนะไม่มีไม่มีสติโยมต้องาสารภาพกับพระอาจารย์ค่ะเมื่ออทิตที่ผ่านมาโยมอาจจะเสพขา่าวส่งข่าวโยมก็เกิดอาการ กลัวตายขึ้นมาพระอาจารย์ <Yeah. S 2> แล้วก็เข้าก o เกิลก็บอกว่าถ้าเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยแถวบ้านโยมน่าจะไม่รอดเลยกันทั้งหมดอะคะ่ะว mm hmm. อชิงตัน ด, ดีน่าจะเป็นจุดแรกดีใช <laughs> ่จะไ ด, <laughs> จะได้จะได้หมดปัญหาไปไม่ต้องมันรอคิวต่พระอาจารย์โยมก็เกิดอาการแพนิคขึ้นมาค่ะพระอาจารย์โยมก็เดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิพยายามคิดว่าร่างกายไม่ใช่ของเราร้างใส่มันก็ไม่ได้พระอาจารย์ mm hmm. <laughs> ให้เวลาแล้ว<ร>กคิดบ่อยๆเนี่ยต่อไปมันก็ยอมรับได้อ่าทั้งๆที่โยมก็บอกว่าอู้เรานั่งฟังธรรมพระอาจารย์นี่ขนาดศึกษาธรรมะมาหลายปีแล้วยังไม่ได้ความขนาดนี้โยมก็บอกตัวเองว่าได้แล้วเดี๋ยวเย็นนี้โยมจะเดินจงกรมนั่งสมาธิทั้งคืนมันยังไม่เข้าไปในใจมันยังไม่ใจมันยังไม่ยอมรับะโยมทําตั้งนานโยมได้แค่สามชั่วโมงเงกับพระอาจารย์ <laughs> แต่ว่าพอ พอนั่งสมาธิเสร็จมันก็ดีขึ้นค่ะพระอาจารย์ mm hmm. พอตั่งไปนอนโยมก็ฝันค่ะว่าปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าแนุ่งใส่ชุดขาวเลยนะคะพระอาจารย์อยู่ในป่า mm hmm. แล้วก็หลับอยู่ในในป่าค่ะพระอาจารย์แล้วก็มีเสือมานะคะพระอาจารย์โ mm hmm. ยมก็คิดว่าโยมกําลังจะตายแล้วเพราะว่าเสือมากินโยมไม่แน่ใจว่ามันเกิดมาจากความคิดปรุงแต่งในระหว่างวันว่าตัวเองปลัวภัยสงครามหรือเปล่านะคะ แต่แต่โชคดีที่ว่าแต่แปลกใจว่าในขณะที่ฝันเนีย่ยไม่กลัวเลยค่ะพระอาจารย์มันมีแต่ความรู้สึกว่าตายก็ตายแล้วก็มีความรู้สึกที่ว่าคือเหมือนกับมันมีเสือมากําลังจะมาดึงแขนโยมไปแล้วแล้วก็ในจิตเราระหว่างนั้นมันมีตัวมีแต่ตัวรู้ว่าค่ะพระอาจารย์มันมีแต่ตัวว่ามันมีแต่ตัวว่าไม่ได้มีขิดความคิดถึงครอบครั ว, วไม่ได้มีความคิดถึงว่าจะตายอย่างไรตายตายที่ไหนจะเจ็บไม่เจ็บอย่างเงี้ยไม่ไม่มีเลยค่ะมันมีแต่ความรู้สึกว่า ถ้าไม่ตายวินาทีนี้ก็ตายในวินาทีหน้ามีแต่ตัวรู้ว่าถึงเวลาก็ต้องถึงเวลาประมาณนี้ค่ะแล้วก็ยอมในในความฝันของโยมนะคะยอมยอมตายแล้ว ก, แวก็แล้วก็ทุกอย่างก็สงบแต่ไม่มีความตกใจไม่มีความกลัวอะไรในฝันซึ่งมันก็ทำให้โยมแปลกใจว่าทำไมทาไมในฝันถึงไม่กลัวแต่ทำไมความพอมาเสบข่าวเราถึงกลัวอย่างนี้ค่ะอาจารย์เออความจนงขอความฝันไม่เหมือนกันไง ความจริงก็คงต้งวิ่งหนีกันอย่างความันมันไม่แน่นอนบางทีมันอาจจะบอกความจริงก็ได้แต่บางทีมันก็มันก็อาจจะเป็นไม่ความไม่จริงก็ได้งั้นอย่าไปอย่าไปอาศัยความฝันเป็นตัวตัดสินต้องดูความจริงเป็นตัวตัดสิน พรัอาจารย์โยมก็บอกตัวเองเหมือนกันว่าเออมันบอกตรงนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าถึงเวลาจริงถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องดู ต, งดตอนที่จะเสือเดินนจะือทำยังไงแต่มันแปลกอะค่ะเพราะว่าฝันต้งสองครั้งติดกันเลยค่ะตอนแรกฝันตายแล้วแล้วก็ครั้งที่สองก็ยังเห็นเห็นอยู่แล้วก็เหมือนกับยืนประจันหน้ากันเลยแล้วเราก็ยืนนิ่งมาก เราก็เลยรู้สึกว่าเ อ, อิอทําไมในความฝันมันใช้ได้แต่ทําไมในความจริงกับใช้ไม่ได้เงี้ยหรือมาจะมาสอนเราว้างว่าต่อไปเวลาเจอความจริงต้องทําอย่างนี้มั้งค่ะแต่ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะพระอาจารย์<ช>เพราะว่าโยมโยมถามถามว่าเวลาฟังข่าวเราเสพข่าวมากๆเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราจะต้องทอํายังไงจะต้องเตรียมตัวอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอถึงทางจริงก็บอกตัวเองว่าจะอยู่ที่ไหนจะทําอะไรถ้ามันจะถึงเวลามันก็ต้องถึงเวลา พอถึงเวลานั้นจริงๆแล้วมันไม่มีความจําเป็นว่าจะเจ็บอย่างไรจะปวดยังไงจะคิดถึงใครมันก็แค่มันก็แค่วินาทีนี้แหละแหละอย่างเงี้ยที่จะต้องตระนักวินาทีอี้ก็คิดประมาณนี้ครับอ<พ>าจารย์พยายามเตรีมตัวเตรียมใจไหมรับกับเหตุการณ์รับทําข้อสอบให้ได้ครับอาจารย์ถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรจริงๆพอาจารย์คิดถึงยมด้วยนะคะ <laughs> ตัวใคโตันเนาคิดถึงใครไม่ได้เลยโยมจะคิดถึงพระอาจารย์นะคะอละลอคิดพุทธโทพุทโทไวกเลยคิดถึงพร ะ, ะพุทธเจ้าดีกว่าค่ะค่ะคิดถึงพระพุทธเจ้า <laughs> วันนี้โยมไม่มีอะไรแล้วค่ะโยมมา <Okay. S 2> สารภาพนนกับอปพบพระอาจารย์อาจารสายที่มีอะไรสารภาพบ้าวันนี้กลับนมัสการพระอาจารย์ต่อค่ะ ไม่ไม่มีอะไรจะสารภาพค่ะไม่มีความับไม่มีความลับอะไรมาบอกเล่าันให้ฟังอ่าความลับความฝันเนี่ยอ๋อไม่ค่อยฝันเลยค่ะพระาเดี๋ยวนี้บางวันก็ก็ตื่นมาไม่ไม่ฝันหรือฝันก็เหมือนส่วนใหญ่ฝันก็มีความสุขค่ะพรอาจารย์ฝันไดกินฝันไดกินได้ดิ่มนะอ่าไม่ได้ฝันเรืงกินเรืดิมแต่ในชีวิตจริง กินกินข้าวเย็นแต่ว่านั่งสมาธิทุกวันค่ะพระอาจารย์เลิกสีทุ่มอะไรเงี้ยก็ก็ชอบนั่งสมาธิแต่นี้นั่งสมาธิแล้วสงบไม่ง้อกินข้าวเย็นแล้วมานั่งสมาธินี่นไม่เพราะว่ากินประมาณอาจจะสักหกโมงอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ทำงานต่อถึงสีทุ่มอะไรเงี้ยค่ะเลิกสีทุ่มครึ่ง แล้วก็คิดถึงคําพระอาจารย์ว่ายังไงก็ต้องนั่งแล้วก็เดี๋ยวนี้นั่งสมาธิมันเหมือนสงบแล้วก็เหมือนเข้าเข้าแต่ว่ายังไม่ถึงลึกสุดนะคะพระอาจารย์แต่ว่ามันมันเหมือนวูบมาระดับระดับหนึ่งหรือร ะ, ระดับสองแบบเบาๆค่ะพระอาจารย์เหมือนมั น, ม, นมันรวมเข้ามาแต่ว่ายังยังไม่หายแบบไม่ว่างไปเลยมันมันจะสงบแค่แค่ระดับ ตืนตื่นแล้วอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็จะนั่งได้นานค่ะนี่ทำไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกมีความสุข ก, กับการนั่งสมาธิถ้าว่างก็จะนั่งค่ะพระอาจารย์อไปทํางานเสร็จก็เห็นที่เก้าอี้เราก็ไปนั่งสงบอะไรเงี้ยค่ะอถ้ามีงานก็ออกมาแล้วก็ใช้อ่าเวลาที่ไป คุยกับเพื่อนหรือคุยกับคนค่ะพระอาจารย์เราจะชอบเห็นว่ามันส่วนใหญ่ก็จะมีความทุกข์กันมาเล่าความทุกข์ให้กันฟังเราเราไปเจอเพื่อนๆแล้วก็เออเหมือนว่าเหมือนมาเหมือนว่าฟังเรื่องแต่ละคนมีปัญหาอะไรงค่ะพระอาจารย์เราก็เลยรู้สึกว่าอยู่คนเดียวมันมันสบายกว่าค่ะก็เลยก็แล้วก็มีก็เอาที่พวกยอมหยุดเย็นไปใช้ด้วยค่ะพระอาจารย์เวลาที่เจอปัญหา หรือเวลาที่มีอะไรมากระทบอารมณ์เราก็จะรู้เดี๋ยวนี้รู้เหมือนรู้ทันอารมณ์มากขึ้นค่ะพระอาจารย์รู้แล้วก็บางอย่างก็วางเลยบางอย่างก็เอามาพิจารณาต่อถ้ายังวางไม่ลงว่าเพราะอะไรเงี้ยค่ะแล้ก็วางได้เร็วขึ้นยังปฏิบัติประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์ดีมากดีมากทำต่อไปนะค่ะโอเคค่ะเรียนไปที่ท่านต่อไปคนปียะพาดเลยใช่ไหม อ่านปิดก็ไปด้วยนะเพิ่งเข้ามาครั้งแรกเลยอ๋อไม่ใช่อาจารย์พระอาารค่ะพอดีวันนี้เปลี่ยนชื่อไม่ทันค่ะพระอาจารย์ออที่เดิมคุณนัดใช่ไหมคุณนัดกับคุณตัวป้าค่ะพระอาจารย์ครับค่ะเข้ามากับพระอาจารย์ค่ะยังปฏิบัติอยู่ค่ะยังที่พระอาจารย์บอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นก็ยังพยายามอยู่ค่ะพระอาจารย์ได้ผลดีนะ สบายใจค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะพระอาจารย์พอาจารย์ทัดขันแข่งแรงข้ะครับเจิญก็นูกตาลต่อนูกตาลชอบลีเหมือนกันนามสกันพระอาจารย์เป็นยังไงมีอะไรไหมวันนี้วันนี้ไม่มีคาถามค่ะเอามากับพระอาจารย์แล้วก็มาร่วมจังทำโอเคเจไปที่ศีรอาชาต่อเลย คัณฟังว่าอะไรยอมหยุดเย็นกลาบพระอาจารย์เจ้าคะ่ะก็หนูกลาบขอเข้ามาพระอาจารย์เป็นทางการอีกรอบนะคะหลังจากที่เคยเคยเรียนพระอาจารย์ล้วคะ่ะไม่ไม่ได้ลาออกจากงานนะคะข่าวนูนนะะ้นค่ะเนื่องจากผู้จัดการเขาขอให้ให้ช่วยทำงานต่ออืทีนี้หนูก็เลยชื่อว่าหนูก็เปที่เหล็กยังแต่มันก็ยังทำได้ก็ทำไปไม่เสียหายตรงไหน แต่พระอาจารย์เย็นไหมคะไะเยินค่ะหนูก็เลยใช้วิธีนี้ค่ะในการใช้ความอดทนในการทำงานเหมือนที่พระอาจารย์บอกหยุดเย็นมันก็ได้ผลอืมไม่มีอะไรไ่ น, นี่สัญญาณไม่ค่อยดีใช่ไหมคะอ่การไดดหายค่ะคก็แต่นหนูจะไปไปบาหลีนะคะไปประชุมก็ นั่งเครื่องบินสี่ชั่วโมงหนูจะใช้เวลาในสี่ชั่วโมงอาหารกินที่อยู่บนเครื่องบินอนักสมาธิค่ะอ่าอย่าเปิดดูหนังฟังเพลงคะแล้วก็เจ้านายเขาให้ให้รายงานต่อก็เลยคิดว่าช่วงช่วงที่อยู่ที่บาหลีหลังจากประชุมเสร็จสามวันค่ะอีกสองวันก็จะใช้สถานที่หาที่นึงทำสมาธิด้วยเจ้าค่ะอืมก็เดี๋ยวจะมาดีค่ะ ขอบคุณเจ้าค่ะส้าทุ่งเอ็นไปที่คนอะไรต่อวิณโยมเยิงวิรายพรยัง ไ, ไงหายหน้าหายตาไปน้ำมสการเจค่ะพระอาจารย์ทีอยู่ต่างจังหวัดอะคะ่ะกว่าจะกลับเข้าบ้านก็ดึกสามทุ่มสองทุ่มสามทุ่มตลอดแล้ววันนี้อยู่กรุงเทพค่ะพระอาจารย์ก็เลยรีบเข้ามาหามากราบพระอาจารย์เข้ามาตอนสองทุ่มครึ่งค่ะพระอาจารย์ ล้หมุนอยู่ตั้งนานก็คิดว่าสงสัยคงไม่ได้กราบพระอาจารย์แล้วค่ะว่จะกราบขอบคุณทีมงานค่ะก็ให้โยมหญิงได้กราบพระอาจารย์ค่ะก็โยมหญิงก็ปฏิบัติอยู่ค่ะพระอาจารย์พอสติหลุดก็จะดึงกลับมาตลอดค่ะภาวนาอยู่ตลอดเวลาค่ะรู้ตัวล่งหลานเป็นยังไงบ้างโอเคไหมโอเคค่ะเดี๋ยววันที่สิบแปดิบเก้าจะพาไปกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะจองโรงแรมแล้วเจ้าค่ะโอเคค่ะสาธุค่ะ ค <R os> ่ะพระอาจารย์ค่ะคุณหน่อยใจอันนี้ทายหน้าไปเป็นหายวันเหมือนกันไปไปเที่ยวมาเลยไปไประชุมมาเลย <laughs> ไม่ได้ไปไหนจ้ะค่ะกล่าวมัพชการพระอาจารย์เจา้าค่ะพอดีอ่าเห็นเข้าเข้าเข้ายากก็เลยฟังข้างนอกเจากเนนนา้าค่กะก็เลยนํากลัมากล่าบพระอาจารย์ดีค่ะมาบอกว่าตา ย, ยา Line. หายใจอยู่เจา้าค่ะ โอเคแมเสียงมันมันสะท้อนกลับต้องปิดเสียงเราโอเคโทรศัพ okay. ท์นั่นะคะไม่ถ้าอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินนะได้ยินนะไม่ได้ยินเสียงของเราคืจาจยัง ไ, ได้ยินเสีย ง, งเราพรอยไหมได้ยินแต่เวลาเราพูดเสียงมันมันเด้งกลับมาหาเราด้วยอันนี้ไม่เด้งแล้วโอเค หนไม่มีอะไรก็ค่ะเข้ามากราบพระอาจารย์ก็ค่โ okay. อเคขอใอห้รักษาศาีลปฏิบัติต่อไปนะพระาจาร์อักเล็เมื่มามากเลยไม่รอดออกเลยนี้ก็ค่ะเดี๋ยวไปฟั ง, งมันก็ค่ะอาจยก็ดีเลยเสียงคล้ายอะกาศอากาห้หายก็ค่คะน่าจะเป็นที่พอที่วานโทรศัพท์ก็ค่ะมันจะปิด ตอนนี้ดีแะอัตอนนี้ดีนะเจ้าค่ะอ่าไม่มีอะไรแล้วเจ้าค่ะโอเคอ็ขอให้ปฏิบัติต่ตอไปรักษาสินต่บไปนะเจ้าค่ะอเคพระอาจามนะคะมีอีกเรืนหนึ่งพรุ่งนี้ไหนว่างไหนขอกำลังใจหนเลยแม่สักคะเพราะว่าไหนว่าไหนจะถือสินแต่แล้วก็จะไม่กินอะไรเลยจะแบบขอแบบให้ไหนทําได้เจ้าค่ะไหนกลัวไหนทําไม่ได้ ก็อยู่ที่ความตั้งใจนะัจจะเป็นตัวสำคัญถ้าเรามีศัจจะก็ทำได้ถ้าเราโลเลก็ทาไม่ได้อย่าโลเลยยอมตายไปเลยอย่างพระพุทธเจ้าอดวันเดียวไม่ตายหรอพระเจ้าอดตั้งสี่ถึงเก้าวันยังไม่ตายเลยเลยต้องทาให้ได้แล้วค่ะได้ถ้าเราบอกได้มันก็ต้องได้ถ้าเราบอกไม่ได้มันก็ไม่ได้อยู่ที่เรา อ้าสาม้าก็ค่ะโอเคอ่าธุคุณหมอณัฐวัฒน์จนทร์รับนัดสกาดพาาระจันทร์ครับางานตอนนี้งานเยอะอยู่สิตอนนี้ค่อยๆเบาลงแล้วครับเพราะตอนนี้ทั้งช่วงที่แล้วมันงานติดกระชั้นกันเยอะมากนะครับที่ที่แล้วเลยไม่ได้เข้าพอดีบบินกลับมาจากมาเลเซยแล้วก็วอน่อาจะถึงคืนวันพุธนะครับ วัเพื่ะสุกเสาร์มีจัดคอนเทนต์อะไรต่อแต่ว่าตอนนี้น่าจะหมดแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยววันเสาร์สุขเสาร์อาทิตย์นี้ผมจะเข้าไปปฏิบัติธรรมครับมาไปชาร์แบตต่อนนะครับต้องต้องชาร์จทำเพราะสิ่ใช้ร่างกายแล้วก็ใช้ใจส่งออกนอกหลอดเลยครมันไม่ค่อยอ <Okay. S 2> ด้พักนะครได้ได้มาชาร์จแบตครับมาครับโอเคท่านครับมานล้วก็เจอกันแล้ววันเสาร์ด้วยใช่ครับสวัสดีคุณหมอสุทธาสเน เชิญปทุมธานีลูกไม่มีคําถามเจ้าค่ะนามาส ก, การเป็นพระอาจารย์เจ้าค่ะยังปฏิบัติเหมือนเดิมปฏิบัติเหมือนเดิมเจ้าค่าะท่านพระอาจารย์ใจสงบปัญญาฉลาดมีความสุขดีเจ้าค่ะโอเคเป็นไปที่คุณประนอมต่อปานอมอยู่สสสสเซเลอรมใชนไหมออเรกัน จะเปิดไหมเปิดไหมกับมาสการครับอาจารเข้ามาก่าอาจารย์เจ้าค่ะอยู่เซเทมออรกอนกับเซเทมนี่มันอยู่ตรงไหนระหว่างระหว่างยูจีนกับพอร์ตแลนด์นะใช่เจ้าค่ะอยู่ระหว่างยูจีนกับพอร์ตแลนด์ก็ประมาณถ้าจากจัดเซเมไปพอร์ตแลนด์ประมาณหนึ่งชั่วโมงเจ้าค่ะส8ิบแปดไมลมันไปทาง i อไฟเหมนรับอินเตอร์สเตทไปไอไฟ ไปฟลายนะอือใช่เจ้าค่ะพอเราเคยนั่งนั่งรถ อ, อย่างยูจีนไปพอเล่นเจ้าค่ะ<ม>ก็มีลูกศิษย์นูก็เล่าเรื่องรพระอาจารย์ให้พี่ พ, พี่ที่จากอยู่จีนที่มาคอยดูแลที่วัดนะคะอืมมันก็ถามว่าหลวงพ่อเคยมาอยู่ยูจีนไหมไปไปเที่ยว <c oughs> ตอนที่ยังเป็นนั้งเดือนอยู่เงินที่วันดีเป็นช่วงปิดเทอมปีใหม่ ปีนู่นอ่ะกเก้าหกแปดหกเก้าต้นปีหกเก้านะยังไม่เกิดเลยเจ้าค่ะก่อนหนูเกิดตั้งหปีเจ้าค่ะอก็ปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอเจ้าค่ะว่างแล้วก็ช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้ไปช่วยงานวาดัดเพราะว่าคิดว่าแต่จริงๆหนูกาจะคอยอุปถัมภ์ที่วัดอยู่สม่ำเสมออยู่แล้วแล้วก็มีโครงการปฏิบัติธรรมมาเจ้าค่ะหลวงพอ่อ จากเจ้าวาดวัดป่าจากเมืองไทยมาช่วยสอนปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็เอมีเจติธรรมจากแคลิฟอร์เนียจากซีแอตเทิลแล้วก็มีจากเมืองไทยมาปฏิบัติด้วยเจ้าค่ะก็หนูก็ถ้าว่างหนูก็เข้าไปปฏิบัติบ้บางถ้าถ้าระหว่างที่ต้องล้างถ้วยล้างชามขัดห้องน้ําหนูก็จเจริญสติของหนูไปจนเสร็จภารกิจก็คือขัดห้องน้ําเหมือนเดิ ก็ดีเป็นงานงที่ได้บุญมากเพราะให้ความสุขกับคนอื่นเอาน้าําสะอาดคนเข้าไปก็มีความสุขเจ้าค่ะเวลาคัดท้องน้ําก็ดูว่าเอ่อเกิดมีอะไรรู้สึกตําหนิไหมรู้สึกอ่า เ, เราไปเพ่งโทษคนไหมว่าทําไม่สะอาดอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างเจ้าค่ะหลวงพ่อนิดนึงแล้วก็บอกว่าเราตั้งใจละละล ะ, ละจากอ่าเนี่ยการเพ่งโทษการถือโทษการมองในสิ่งที่มันไม่ควร ก็ม <els> yeah, ันท er ําตรงนี้ค่ะทําจนเป็นหน้าที่จนทุกคนมองว่าอเป็นงานของหนูแต่หนูก็ยินดีค่ะมีความสุขในการทํามีความสุขในการขัดห้องน้ําแล้วก็เจ้าค่ะรามก็ไปถึงถึงบนกุฏิของพระอาจารย์ของลุงพ่อก็บอกพ่อก็บอกอาเหลียวหนูชื่อเล่นชื่อเหลียวจ้ะค่ะอาเหลีวห้องน้าข้างบนยังไม่มีใครทําโอ้ยินดีเลยเจ้าค่ะวันนั้น ทั้งวันเลยค่ะหลวงพ่อคือสองวันวันแรกวันแรกวันสุดท้ายแล้วก็หลังอีกเ็บจนเก็บงานนะคะก็ถือเอาเอาตรงนั้นเป็นการปฏิบัติเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วก็ไปนั่งในป่าโอ้สงบลมสงบมากค่ะสุขมากขอเลยเจ้าค่ะแลนะคะปฏิบัติแล้วก็มากราบนมัสการเจ้าพราหมณ์อยู่เสมอเจ้าพราหมณ์ แรงใช่ค่ะสาธุยอยพัทยาเป็นยังไงได้ยินหนูไม่ได้ยินได้ยินค่อยมากเสียงมันค่อยไม่ไม่ดังใช่ไหมก็ยังไม่ดังอยู่ดีใช่ไหมคะดังแล้วดังแล้วอ๋อก็เหมือนเดิมค่ะพยายามอยู่กับฝุกทุกให้รู้ว่าอันนี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะไม่ที่ยงไม่มีอะไรจริงค่ะ ก็พอล้ใครมากระทบก็ก็รู้ว่าเขาทุกข์ก็ไม่ไม่ไม่คิดว่าจะเก็บออกมาใส่ใจให้ให้ตัวเองต้องรู้สึกแย่ไปด้วยก็ปล่อยผ่านไปค่ะเนี่ยแหละแล้วก็หนูก็ไปใส่บาตรเร็วค่ะโอเคเราที่น่าไม่มีเด็กไปด้วยสักคนเลยนะไม่เลยค่ะถ้าแต่ถ้าวันธรรมดาเนี้ยคือเขาไปโรงเรียนหนูก็ลากเขาไปเลยแต่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์พยายามเนี่ยก็บ ไม่ไหวแม่ไม่ไหวกันก็เลยก็แล้วแต่ไปก็นอนไปก็เลยไม่อยากขักดอเอาค่ะวัะนศุกร์นี้ไปสายบาตหมานะค่ะโอเคอ่าคุณก๊อฟอยากสุราคนที่ชอบกินอาหารนี่ต้องไปล้างส้วมบ่อยๆนะได้จะไ้พิจารณาปฏิกูลของอาหารบ้างครับหรวงพสการ์ครับ วันนี้เข้ามาทางออไอโฟนครับเขาจะดีไหมครับได้ยินชัดด้นเดชอาจารย์รู้รู้ทันมากเลยเมืม่อคิดถึงคุณก๊อฟทันทีเมื่อกี้เห็นก๊อล้างห้องน้าอยู่อัน <ผม S 1> นี้การกรรมฐานของคุณก็อฟคือการล้างห้องน้ำเนี่ย <c oughs> เข้าใจว่าอาจารย์ก็เห็นภาพว่าถ้าล้างมันไหวมันน่าจะดีครับผ ม, มไม่ไม่ค่อยรังเกียจเท่าไหร่ครับแต่ว่า ต้องให้เห็นบ่อยๆอยอยมันจะได้จำได้ใช่ไหมครับเวาอย่า ก, กินอาหารมันให้นึกงห้องน้าที่ไปของอาหาร <c oughs> จุดหมายปลายทางของอาหารก็คือห้องน้ำดีแล้วผมผมไม่ว้โว่ังกัดข้างเลยแต่ไม่ได้ไม่รังเกียจครับรู้สึกโอเคครับได้ก็ช่วงนีน้ก็สงบขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าสงบ<ม>ขึ้นอีกสเต็ปก็คือได้อยู่กับ โลกเราอาจจะผลิตอาจจะว่าเราเยอะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้โกรธใครแล้วก็เราสึกว่ามันมีความสุขมากขึ้นแล้วก็คนเข้าใจเรามากขึ้นแล้วก็มีคนในวงการหรือว่าผู้ใหญ่ชมเรามากขึ้นว่าเออเราทําตัวดีอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ชมมาถึงพ่อแม่แต่ว่าไม่ได้บอกว่าจริงๆอะเราปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยยันแต่ไม่ยันเราไม่หนุนเราคือเราเทุกข์ทุกข์กว่ามากครับอื หลันเสร็ก็มาก็มากับนินทานแล้วก็เจอหนินทานเจอเยอะเราเป็นอ่ะอืมเจอเยอะเราแต่ว่าเข้าเข้าใจครับก็ก็ก็ก็ดีครับก็เหมือนอยู่ได้แล้วก็มีเป้าหมายในการทํางานที่ดีขึ้นเนี้ยเราก็ไม่ค่อยเป็นทุกข์แล้วก็อะไรที่มันไม่ใช่เราก็ตัดออกครับอืมก็ก็คือเดี๋ยวนี้ฟังฟังคำบรรยายของท่านอาจารย์ปอ ปอยุตองเพิ่มด้วยครับก็ถึงของพระอาจารย์ก็คือเป็นหลักครับแต่ว่าผมจะเอาไปอัดแน่นนิดนิดหน่อยครับเพื่อให้มันใช้งานคล่องขึ้นนะครับได้เหมือนก็เป็นเหมือนอาหารอาหารก็มีหลายหลายล้านแต่ละร้านก็ทาอาหารที่ไม่เหมือนกันแต่ก็เป็นอาหารเหมือนกัน แต่ว่าแต่ว่าถ้าไม่มีพระอาจารย์ที่เป็นหลักยึดอย่างเงี้ยที่ที่ได้สอนเนี้ยเราพวกเราหรือว่าคนทั้งหลายก็จะไม่มีหลักยึดอะครับว่า<ม>ว่าสิ่งที่ที่แท้จริงที่พระอาจารย์เน้นเนี้ยมันคืออะไรเนี้ยครับคือก็เข้าใจดีครับขั้นการขอให้ปฏิบัติให้ได้ก็แล้วกันนะคร <c oughs> <า><อ>ับก็จะพยายามที่สุดครับโอเคขอบคุณครับสาธุอ่าขุนเจ้าเออ อันนี้อป้าแล่นแล้วเหรอแล้วกลับไปที่ไหนแบบมันมหัศการค่ะพระอาจารย์อยู่พอแล่านค่ะอืมอืมวันนี้ส บ, บายดีค่ะพระอาจารย์หนูวันนี้ไม่ได้มีคําถามค่ะก็มีรายงานนิดหน่อยว่าเรื่องปฏิบัติช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาหนูไปเปิดฟังแ่าเหมือนเป็นประมาณการเดินมีดิตะชันอย่างนั้นแหะค่ะเป็นพระหนึ่งพูดเหมือนตอนตามว่าให้คอยสังเกตซิเนี่ยตอนนี้ว่าแบบจิตมัน ทำอะไรอยู่คิดอะไรอยู่อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะมีจุดหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าเหมือนเหมือนตัวเองนั่งอยู่ในกระสวยอวกาศอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันรวมเข้ามาแล้วมันก็พุ่งไปแล้วก็เหมือนเหมือนเป็นดํำๆระยิบระยิบอะไรเงี้ยค่ะคือรู้สึกสงบขึ้นแต่หนูรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่แต่ก็คือมันต้องอยู่กับพุทโธแล้อยู่กับร่างกายดีกว่าไม่ใช่อยู่กับเทปใช่ไหมคะไม่ใช่อยู่กับเสียงใช่ค่ะไม่ได้อยู่กับอะไรทั้งสิ้นเพราะทุกอย่างมัน มันหลอกเราได้แต่ถ้าร่างกายกับพุทโธเนี่ยมันไม่หลอกเรามันจะดึงใจเราให้อยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นความรู้สึกเหมือนสงบลงออ่ความรู้สึกเหมือนแบบเราไม่เห็นเราไม่ได้เห็นอะไรแต่หนูยังรู้สึกร่างกายยังได้ยินเสียงในเทปอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็คือปนอาจจะแค่เงียบลงเฉยๆแต่มันยังไม่ใช่อย่างอื่นไม่ไม่ว่ามันไม่มันไม่มันไม่สงบเต็มที่อืมอืมโอเคค่ะ แต่ถ้าทำพอใจก็ทำไปแต่ถ้าอยากจะได้แบบของแบบเต็มร้อยก็เนะี่ยต้องพุโทโธอย่างเดียวแล้วดูร่างกายอย่างเดียวค่ะหนูพยายามจะพุโทโธจะพยายามจะเลือกค่ะตอนที่ตัดสินใจเริ่มนั่งพยายามจะเลือกว่าวันนี้เราจะตามลมหรือเราจะตามพุโทโธแต่ว่าปัญหาของหนูคือนั่งไปครึ่งทางแล้วมันชอบเปลี่ยนชอบเปลี่ยนตัวเองค่ะ แบบตอนแรกเราก็นับเ ร, เราก็ตามลมอยู่ดีๆแล้วอยู่ๆก็รู้สึกเหมือนความคิดมันมันฟุ้งขึ้นมาเรื่อยๆเรารู้สึกว่าตามลมไม่พอก็เลยจะพูดโทแทรกเข้าไปอะไรเนี่ยถ้ามันมีเหตุผลก็ ก, ก็ก็เปลี่ยนได้อมันดูดูลมไม่ได้จริงๆเพราะใจมันฟุ้งก็ใช้คำระดับก็จะช่วยได้ค่ะแต่ถ้าไม่มีเหตุผลก็อย่าไ ป, ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามความอยากอ๋อโอเคค่ะเพราะมันจะเป็นความ ก็คือมันเป็นหาวิธีสู้ความยากอีกวิธีหนึ่งโดยการตอนยาวมันยาวแย่ปีนที่อย่างนั้นเลยใช่ไหยากมากเลยค่ะเป็นยามต่อไปค่ะประานเท่านี้แล้วค่ะวันนี้ทำงานอะไรอยู่เนี่ยอยู่ทํางานที่บ้านก็ต้องไปทํางานให้บริษัทนะที่บ้านค่ะกราฟิกดีไซน์ค่ะหนูออกแบบพวกโลโก้พวกแพคเกจิ่งอะไรพวกเนี้ยทําส่วนตัวแล้วทํากับบริษัท่ะ คนตัวค่ะอ๋อสบายเยนะใช่ค่ะหนูก็มีเวลาเยอะในแต่ละวันจะจะเอาจะไปขายให้กับใครขายออนไลน์อย่างเี้ยนะค่ะคือพอดีหนูเจอกลุ่มคนที่เขาสร้างแบรนด์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะติดพอเขาจะขายผลิตชิ้นหนึ่งแล้วเขาจะใส่แบรนด์ใหม่เขาก็จะติดต่อมาให้ทํากล่องให้ทําโลโก้ให้อะไรยเงี้ยอ๋อก็เลยมีงานเข้ามาเยู่เรื่อยๆนะค่ะอืมโอเค <ข>อเ <สา S 1> จริญรุ่งเองเจริญรุ่งเรืองขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์สาธุค่ ะ, ะคุณอาภกรเนี่ยอาภก ร, รอาจารย์ที่ไหนคุณอาภกรเป็นครัง้งแรกมเนี่ยฮัลครั้งแรกอ่าหนูอยู่กรุงเทพค่ะอันที่จริงหนูหนูเด็กเด็กหนูเคยไปวัดกับพ่อกับแม่แล้วก็แล้วก็เคยตอนโตโตก็ไปตัก บ, บาตรที่ บานอำเภอบ้างเนี้ยค่ะก็เอ่อถ้าตื่นเต้น <c oughs> <c oughs> กลัวไม่กล้าเข้าห้องนี้แต่ว่าวันนี้อยากวันนี้ลองดูว่าเป็นไงค่ะก็คือเอ่อหนูปฏิบัติเพิ่งกลับมาปฏิบตัติก็คือเอ่อหนูครั้งสักรับสิบปีที่แล้วหนูไปวัดหลวงพ่อปราโม้นะคะท่านบอกว่าหนูเพ่งเพ่งแล้วท่านให้ดูท่านให้ดูกายเหตุใจเขาออก หนูก็พิ่งมาเริ่มปฏิบัติแบบสวดมนตน์ตอนตอนกลางคืนแล้วก็แล้วก็เสวดเสร็จก็เดินจงกรมสิบห้านาทีพุทโธแล้วก็ดูไออตัวหัวใจมันเข้าเข้าออกเข้าออกแล้วก็นั่งสมาธิก็ดูหัวใจเข้าออกเข้าออกแล้วก็ก็เห็นว่าเออกายมัน มันเหมือนพยายามสอนมันนะว่าเออหายใจเข้าไม่ไม่นิ่งไม่เที่ยงแล้วก็หายใจออกไม่เที่ยงอะไรประมาณ น, นี้ก็คือยังไม่สติก็ยังไม่มากพอแล้วก็แล้วก็เออ่สมาธิก็ยังไม่ได้แล้วก็ปัญญาก็ยังวิ่ได้แต่ก็จะพยายามต่อไปเ <c> พ <oughs> ราะมาณนี้คะ่ะก็ก็คิดว่ามีขี้เกียจบ้างมีขี้เกียจเยอะแหละเพราะว่า ทั้งใจจะทำเช้าเย็นแต่ว่ามันทําได้แต่ตอนคืนก็คิดว่าก็ทําไปก่อนทําเท่าที่ต้องทําได้ไปก่อนแล้วค่อยขับพยายามเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่ะก็ขอบพระคุณค่ะขอให้ขอให้หลวงพ่อทัดขันแข็งแรงแล้วก็อนุโมทนาบุญกับเพื่อนแล้วก็ขอบคุณเจหน้าที่ที่ให้หนูได้พูดขอบคุณคอ่ายินดีตอนรันโอกาสหน้าขเข้ามาใหม่นะ โอเคไปที่บุญจิป n a ว y Land บุญจิปขับรถอยู่นะครับนาะมัตส ก, การค่ระจอดรถแล้วค่ะพอดี uh huh. เมื่อกี้ปิดหนะ้ากล้องไปต้องขอโทษด้วยเจ้าค่ะพอดีขับรถมาส่งลูกชายที่เอ่อ Navy Lab ที่ DC อะค่ะมันต้องใช้เวลาชั่วโมงถึงจกบ้านโยมแบบ คนขับรถแถวนี้แบบโยมรุนมากเลยค่ะพระอาจารย์เขาดูเดือดมากเลยโยมแบบโอ้ยจะรอดไม่รอดจะรอ ด, อดเหมือนเหมือนเราขับรถในกรุงเทพอะค่ะเหมือนคนต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็จะแบบว่าแต่ละคนก็ใจร้อนแล้วช่วงนี้อากาศก็ร้อนคนก็ยิ่งใจร้อนเข้าไปอีกโยมก็แบบโอเคคือโยมก็แบบเออเมื่อกี้เขานั่งพิจารณาความตายกันโยมก็ฟังแล้วก็แบบว่า เออถ้ายมตายในตอนอุบัติเหตุก็ไม่เป็นไรนะแต่ห่วงลูกชายแค่แบบเออลูกเขาคงยังไม่ได้ฝึกอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นอะไรไปเขาจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเ<ม>ยอก็เลยเออก็อยู่ดีกว่าอย่าคิดเลยพระอาจารย์บอกว่าอย่าไปคิดในสิ่งที่ยังไม่เกิดยอมก็ อ, อ่ะกลับมาใหม่กลับไปโฟ ก, กัสกับการขับรถ ด, ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยเออก็ไม่มีอะไรกับพระอาจารย์พระอาจารย์สบายดีนะคะสบายดีจ้ะ อ่ะก <Okay. S 2> ็ยมก็จะพยายามปฏิบัติให้แป๊บสั้ยมถามคำถามนะคะเอ่อถ้าเราดูลมไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วถึงเวลาสมมตินะคะสมมติถ้าเราดูลมดูลมดูลมแล้วถ้าเรามาถึงจุดหนึ่งมันลมมันหายไปแล้วเราเราจะยังไงเราก็อยู่นิ่งๆเหรอคะก็ดูที่เดิมดูยมไม่แน่ใจว่าก็ดูที่เดิมเหมือนเราดูจอทีวีอยู่ก็ดูไปไม่มีภาพแล้วก็ดูจอว่างไปก็ก็คือ ไม่ต้องเอาใจไปวกแวกกับอย่างอื่นก็คือไม่เหมือนที่บอกน้องคนเมื่อกี้ว่าไม่ต้องไปหาวิธีอื่นไม่ต้องไปหาอะไรทั้งสิ่งก็ดูดูจุดเดิมดูตอนนี้มีลมก็รู้ก็รู้ว่ามีดมตอนนี้ไม่มีลมก็รู้ว่าไม่มีลมนะเองอ๋อก็คือแค่ให้รู้ว่าเออตอนนี้มีลมนะตอนนี้ไม่มีลมมีลมกลับมาก็รู้ว่ามีลมกลับมาอ่าใช่แค่นี้ใช่ไหมคะไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปอะไรทั้งสิ่นไม่ต้องไปดีค่ะไม่ว่าอไม่ต้องไปไขว่คว้าหาลมไม่ลมอยู่ไหนวะ ลลมตายเราไม่มีหล้ามรนไม่มีแล้เราจะตายหรือเปล่านี้มันคิดปรุงแต่งไปแล้วค่ะค่ะถ้ามีเห็นแสงอะไรก็คือมันก็เป็นเรื่องปกติก็ไม่ได้สนใจไม่ต้องสนใจให้อยู่ที่จุดเดียว่หมือนตอนนี้เนังขับนี่นั่งขับรถก็ขับไปอย่างเดียวเยัมลงจากรถลงจากรถก็ไปเม็ทา่ไหนไม่ก อารย์นั่นอมลงจากรถนี่ตะในเมืองนี่แบบตายเนี่ยตายอย่างเดียวไม่รอดแน่เลยค่ะค่ะเดินรถไปเรื่อยๆขับเรื่อยๆเดี๋ยวก็เส้นบ้านเองถึงจุดหมายปลายทางเองใช่ค่ะบางทีเราแบบบางทียมก็เป็นนะคะอาจารย์ขับรถไปเสร็อ้าวถึงบ้านแล้วหรอเหมือนกับอ้าวเราเราเราขับมาแบบถึงบ้านแล้วหรออะไรเงี้ยไม่รู้ว่าใจเรามไปอยู่ตรงไหนครับใจลอยไม่ได้อยู่กับรถนะอันนี้ แน่นั่นจริงไหมนองก็วเล๊เขาเรียกใจลอยหรือเปล่าหรือว่าใจหยุดไหนแล้วบางคนก็บอกว่าไม่หรือว่าเราข้ามระยะทางแบบใช้วิชาแบบว่าเราหยุดข้ามระยะทางมันมันจะมันขับไปแบบมันเคยชินทางมันขับเคยชินมันก็เลยขับไปเ่อยแต่ใจมั่นจะชินอย่าใช่ครับอาจารย์ใช่ใช่ค่ะใช่หรือว่าอาจารย์อหอาจารย์มีิชาอ่านติดยมด้วยมันเป็นเหมือนกันทุกคนเน่ ค่ะอาวนค่ะโอเคนะค่ะขอวัชชานทัดขันแข็งแรงนะคะ<า>ค่ะกะรรมนมัสการคุณนุษมีนุษ<ฮ>มีเก้าเออ่าเปิดไมน์ได้ไหมเปิดไมน์ก่อนครับอ่าเปิดแล้วอยู่ที่ไหนครับมาดิน้อมสรกน้อมสักการ์ค่ะอ่าไม่ได้เจอกันทนา่านอาจาไม่ได้นะหัวนขึ้นเนี่ มาสุดเอ้วนขึ้นหือเล่าว้วนขึ้นไหมอาจารย์น้มเนาะน่าจกครับผมไม่รู้มอนจารย์เตุณเงี้ยเหมือนเดิมครับอปีนี้ขึ้นเท่าไหรนะครับเท่าไหรนะตอนนี้ปหกครับปหกแล้วนะอเคแล้วพี่ชายู่พี่ชายอยู่หรือเปล่าพี่ซันพี่ซันพี่ซันอยู่ครับวันนี้ไม่มาวัดใดเป็นอะไรหรือเปล่าหรือไม่สะดวก อะไรครับฟังอะไรฟังทางไหนบอกหลวงตาสิฟังทางไหนชุ่งนี้ฟังพระอาจารย์สุชาติเทศในเฟซบุ๊กประจำเกือบประจำเกือบประจำฟังวันเสาร์อาทิตย์อ่าดีมีอะไรไยมม่อะไรจะถามบ้างเขาไม่ได้ไปฟังหน้ากุิเขาบอกเคาร้อนแล้วเรียนพิเศษด้วยค่ะหลวงตาก็เลยไม่ได้ไปโอเค คุณสบายดีนะส บ, สบายดีครัคโอเคไม่มีคำถามใช่ไหมไม่มีค่ะโอเคอาขอให้นอนหลับฝันดีนะค่ะขอบขอบขอคุณค่ะาตัวตอนนี้ไปที่คุณลาได้แล้วคุณลาเจอนในคำถามหีคําถามหลับนำมัศการค่ะระทยนมีคำถามทั้งหมดห้าคำถามค่ะเป็นคำถามฝากถามแล้วก็คำถามจากทาง Facebook และ YouTube เจ้าค่ะ คำถามแรกจากคุณพินรัตปราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะปราบเรนถามว่าดิฉันได้ตั้งถังบุญเอาไว้ให้คนทำบุญเพื่อจะไปซื้อเครื่องกรองน้ำถวายโรงพยาบาลสมแต่ว่ายังไม่ครบตามเป้าและบริษัทที่ขายก็เลิกกิจการไปถังยังตั้งอยู่ยังบอกยุนบุญอยู่คะ่ะแต่คิดว่าจะนำเงินที่ได้ทยอยทำบุญหลายๆอย่าง เช่นนำไปบริจาคให้ตามโรงพยาบาลบ้างโครงการยูนิเซฟบ้างแล้วจะขอใบอนุโมทนาบุญมาถ้าบางแห่งไม่มีใบก็จะเขียนบอกไว้ที่ถังขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ด้วยค่ะจำนวนเงินไม่มากแต่ที่ทำเพราะต้องการให้คนทำบุญโดยให้ได้ประโยชน์ที่สุดไม่ใช่ไปลงกับวัตถุสิ่งของที่นำมากราบไหว้ อย่างน้อยเงินเล็กๆน้อยๆของเขาก็จะเกิดประโยชน์พอกผลบ้างไม่ทราบว่าทาได้หรือไม่คะสาธุ ค, คะ่ะก็อยู่ที่ว่าเราเราเราบอกเขาว่าเราจะเอ า, เอาไปทำอะไรแล้วเราก็ต้องทำตามที่เราบอกไม่ใช่บอกอย่างหนึ่งว่าไปทำอย่างหนึ่งมันก็เป็นการหลอกลวงได้นั่นถ้าเราบอกเราจะทําทำนี่เพื่อไปซื้อ เครื่องกองน้ำ อ, อะไรอย่างที่พูดตอนตอนน้นแล้วพอถึงเวลาก็เอาไปทําอย่างอื่นอันนี้มันก็มันอาะ จ, จะไม่ไม่ได้ตรงกับเจตนาเดิมแล้วมันทำอย่างนี้มันยุ่งอ่ะเพราะว่าคนที่เข้ามาบริจาคเราก็ไม่รู้เป็นใครมันหยอด่อนให้เออคนอย่าไปเขียนอะไรให้มันให้มันเป็นผูกมัด ต, ตัวเราดีดีกว่าเขียนแบบกว้างๆกองบุญก็้กันน้า แ, แต่เราจะไปทําอะไร ถ้าเราจะได้ถึงเวลาเราก็จะได้อาบปรจักษ์สันทำทำบนอะไต่างๆได้อแต่ถ้าบอกว่ า, าไปซื้อเครื่องกรองน้ำแล้วถึงเวลาอเอาไปทำนู่นทำนี่อย่างนี้คนที่เขาบริจากมาก็อาจจะรู้สึกผิดหวังก็ได้คุณถามต่อไปจากคุณว่าสนางน้อมกราบขอโอกาสรายงานผลการปฏิบัติครับช่วงนี้ ปฏิบัติมีความสุขมากขึ้นฟังเทศอ่านธรรมพระอาจารย์มีความสุขมีปิติมากขึ้นครับขอเรียนถามครับผมปฏิบัติทางปัญญาคิดมองเห็นตนเองและคนอื่นมีหัวฝีหนองน้ำตาฝังในเป็นหนองอยู่เต็มตัวเปรียบเช่นกิเลส ต้องบ่งหัวน้องและหนามที่ฝังในอยู่ออกด้วยทำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นมีความรู้สึกมั่นใจในธรรมและสุขใจอาการเช่นนี้จะเป็นโทษหรือผิดถูกประการใดขอพระอาจารย์โปรดเมตตาชี้แนวทางสว่างด้วยครับน้อมกราบบูชาสาธุครับ อ, อ๋อมันก็ไม่มีโทษไม่มีคนไม่มีโทษแต่อย่างใด อยู่ที่ว่าเราจะาไปปฏิบัติได้หรือไม่เท่านั้นเองคำถามต่อไปจากคุณต่อปรับน้มัสการครับขอสอบถามคำว่าจิตและใจมีความหมายแตกต่างกันอย่างไรครับคือจิตนี่เราพูดถึงส่วนที่จะส่วนที่คิดบูมแต่งเราก็จะเรียกว่าจิตส่วนใจนี่เราจะเรียกส่วนที่เป็นอารมณ์สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นี่กัน ไจทุกจิตคิดปุงแตนแต่มันตัวเดียวกันมันท่านุรู้เพียงแต่ว่ามันทำสองหน้าที่ทำหน้าที่รู้กับหน้าที่คิดเนี่ยคำถามต่อไปจากคุณลักษณะกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะถ้าเราต้องการปล่อยวางควรทําอย่างไรจะดีที่สุดคะก็มางว่าสิ่งที่เรามีอยู่มันไม่เที่ยงไม่ช้าก็เลยวมันก็จะต้องจากเราไป ถ้าเราไม่ยอมปล่อยวางเวลาจากออกไปเราก็จะทุกข์ถ้าเราปล่อยวางปล่อยให้เขาไปเราก็จะไม่ทุกข์คำถามสุดท้ายจากคุณหวานเจี๊ยบพระอาจารย์ครับทําไมพระพุทธเจ้าไม่ช่วยเราให้เข้านิพพานครับพ่าช่วยไม่ได้นถ้าช่วยได้พวกเราก็ไปนิพพานกันหมดแล้วสอ น, นได้แต่ช่วยไม่ได้พวกเราต้องปฏิบัติันเองตามคําสอนของพระพุทธเจ้า มันแล้วใช่ไหมวังต า, ามมันแล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาสำหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่ย ง, ยยงขึ้นไปเธอ